อ่าอาจารย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิมนต์อาจารย์ขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะครับเพื่อนครับอาจารย์ครับกานมัตสการครับผมเจริญกรสบายดีนะครับผมสบายดีครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้เป็นครั้งแรกหลังออกพรรษาเลยครับปีนี้ที่วัดยานไม่ได้ตักบาตรเทโวนะครับอาจารย์ครับ เขาเขายกเขาเยกลิกไปเพราะว่ากลัวคนอยาเรื่องโรคระบาดตนะ้องคนอยามากันเยอะกลับของเลยต้องลดไว้ก่อนแต่คนก็ไปสายบาทที่บ้านอำเภอแทนมานั้ น, นไปประมาณหนนะึ่งพันหนึ่งร้อยห้สาสิบคนโอ้โหผมเห็นภาพแล้วผมเห็นภาพแล้วครับโอ้โหผ้าจานเหนื่อยมากเลยนะตลอดทางเลยตั้งแต่เริ่มต้นถึงปลายแถวนะไม่มี ไม่มีจุดบ้างเลยใช่ผมเห็นภาพแลครับเห็นเห็นคนถ่ายภาพเป็นมาโหแถวยาวเราหลังจากนั้นพระอาจารย์กลับมาที่วัดจะมีคนไปต่อใส่เต็มเลยครับพระอาจารย์ครับก็มีบ้างแต่ไม่มากตามปกติครับผมครับพระอาจารย์ครับวันนี้ผมอขอความเมตตาพระอาจารย์ครับอยากจะฟังเรื่องสังโยชิศิษครับพระอาจารย์ครับสังโยติศิษคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรครับพระอาจารย์ครับขอความเมตตาครับผม สัโยชน์สิบนี้คือเครื่องพันธนาการจิตใจให้ติดอยู่ในคุกตารางของสังสารวัฏของใจพบผู้ที่จะต้องการหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกจากวัฏสงสารนี้ต้องทำลายพันธนาการสิบอันสิบประการนี้คือสัโยชน์ ถึงจะได้หลุดออกไปสู่พระนิพพานได้นสังโยชยน์สิบนี้ท่านก็มีแบ่งไว้เป็นสองระดับระดับล่างกับระดับบนร่สังโยชน์เรื่องต่ำกับสังโยชน์เรื่องสูงสังโยชน์เบื่องต่ำก็มีห้าข้อแรกคือหนึ่ง 1. สักกายาทิฏฐิสองวิจิตกิจฉาสามสีลพัตตปารมา สี่การ巴拉ฆานะฮะอ่าภาษาบาลีจำไม่ได้ในความอดีตจาริะปฏิฆ า, านี่คือสังโยชน์เรื่องต่าเรื่องล่างและสังโยชน์เรื่องบนก็คือ อ, อ, อีกห้าข้อได้แก่รุปราคาอุปราคาวุทัจจะ มานะและอาวิชาอันนี้ไม่ได้แปลความหมายให้เพียงแต่พูดคข่าวๆให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาเล่าทีละประเด็นนี่ก็คือขั้นตอนในการบรรลุพระอริยบุคคลขั้นตานั่นเองพระอริยบุคคล น, นี้จะไปถึงขั้นพระอรหันได้นี้ต้องละสังโยชน์ทั้งสิบประการทั้งเบง เบื้องต่ำกับเบื้องสูงหรือเบื้องเ้งล่างกับเบื้องบนสมย่อสา ม, ส, ามสำหรับผู้ที่จะบรรลุเป็นพระสุวรรณาบรรได้จะต้องทำลายพันธานาการสามสามข้อด้วยกันคือหนึ่งสกายาทิจิคือความเห็นว่าขนาันห้าคือร่างกายและจิตใจนี้เป็นเรามีตัวตน มีเรามีเราเป็นขันห้างขันห้าเป็นเราเชณฑเราพวกเราทุกคนเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเราความรู้สึกนึกคิดคือจิตใจก็เป็นเราเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราความรู้สึกนึกคิดเป็นเราเราเป็นร่างกายอย่าตามความเห็นของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคือพระพุทธเจ้าเลยจะเห็นว่าขันห้านี้เป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรม เหมือนกับลมพัดฝนตกอย่างนี้เป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีตัวตนแต่มีการเคลื่อนไหวมีการฝนมันตกได้ลมมันพัดได้แต่ไม่มีใครพัดลมไม่มีใครทําให้ฝนตกมันเป็นเหตุเปปัจจัยลมพัดก็มีเหตุปัจจัยทําให้ลมพัดฝนตกก็มีเหตุปัจจัยทําให้ฝนตกขันห้างก็เช่นเดียวกัน ันห้าก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้ก็คือร่างกายที่เราเห็นเนี่ยที่เรามีกับทุกคนนี้เรียกว่ารูปรูปปัะันส่วนทางจิตใจก็มีอยู่สี่คือความรู้สึกนึกคิดได้แก่เวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็ ความนึกคิดก็คือสังขารกับสัญญาสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งสัญญาคือการจาได้หมายรู้และวิญญาณคือการรับรู้รูปสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติร่างกายนี้เป็นธรรมชาติที่ประกอบขึ้นด้วยน้ำดินไฟธาตุสี ส่วนจิต ใ, ใจนี่เป็นธาตุรู้ที่มีอาการสี่ประการอยู่ในจิต ใ, ใจนี่คือแต่ไม่มีตัวตนในใ น, ในธรรมชาติทั้งหมดนี่ร่างกายก็เป็นเพียงส่วนเป็นการเจริญเติบโตของของดินน้ำลมไฟเหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็มีดินน้ำลมไฟทำให้เจริญเติบโต เรามีดินเราปลูกมเมล็ดพืชลงไปในดินแล้วใส่น้ำลงไปให้มีอากาศหายใจมีความร้อนพอสมควรต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆก็จะเลยงอกงามขึ้นมาร่างกายของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันมีการรวมตัวของท่าทั้งสี่ในคันของมารดาคือท่าดินน้ำลงไป แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากธาตุสี่ที่มารดารับประานเข้าไปในใ น, ในร่างกายแล้วก็ไปหล่อเลียทให้ร่างกายที่อยู่ในคันนี้เจริญเติบโตขึ้นมาตามลาดับจนพอเจริญเต็มที่มีอาการครบสามสิบสองก็คลอดออกมาเอาคลอดออกมาร่างกายนี้ก็เริ่มเติมดินมน้ำลงไฟด้วยตนเอง เด็กคลอดอามาสิ่งแรกที่ทําคืออะไรต้องหายใจเองเอาธาตุลมเข้าไปแล้วก็ร้องหิวน้ําหิวนมก็เอาธาตุดินเอาธาตุน้านมก็มีธาตุดินะสมอยู่เป็นอาหารแล้วก็อาศัยความร้อนของคุณหภูมของของที่อยู่อาศัยของว่าที่มาาันจะได้มาจากแสงแดดเป็นการเติมธาตุสีให้แก่ร่างกาย ถ้ามีการเติมธาเสียให้แก่ร่างกายอย่างต่อเนื่องร่างกายก็จะริ่เติบโตขึ้นมาตามลำดับจากเด็กก็เป็นเด็กโตจากเด็กโตก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เป็นคนชราเป็นคนชราแล้วก็เป็นคนเจ็บไข้ในป่วยแล้วในที่สุดก็เป็นคนตายเป็นการสิ้นสุดของของวงจรของร่างกายนี่ ่างกายนี้เป็นธรรมชาติที่มีวงชรถึงคำมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายพอตายท่านทั้งสี่ที่รวมกันในร่างกายนี้ก็แยกออกจากกันถ้าคุณหมองดูศพนี่ถ้าสมมติว่าไม่มีการทําอะไรกับศพนี้สิ่งที่จะออกจากร่างกายสิ่งแรกก็คือลมคือลมไม่เข้าไม่หายใจมีแต่ลมออกลมก็ที่เลยเออกมาเป็นกลิ่นนี่ก็เป็นธาตุลม ต่อมาก็น้ําต่างๆเนี่ร่างกายก็จะหลออกจากท้องถวรต่าง ๆ, ๆแล้าทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายก็จะแห้งแห้งกรอบแล้วทิ้งต่อไปก็จะผุพังกลายเป็นดินไปท่านลมออกไปก่อนตามด้วยธาตุไฟร่างกายก็เย็นธรรมดาร่างกายของคนที่ไม่ตายนี้จะไม่ไม่เย็น จะมีอุณหภูอิแต่พอหยุด้ายใจหยุดหยุทำงานปับ๊บธาตุไฟก็ออกจากร่างกายไปเย็นเฉียบแล้วต่อมาก็ธาตุน้ำก็ไหลออกมาตามวานรต่างๆ ท, ท, ท, ท, ทิ้งให้เหลือยส่วนที่เหลือก็คือธาตุดินที่งไม่มันก็จะูุพังกลายเป็นดินไปอันนี้คือธรรมชาติไม่มีตัวตนในร่างกายนี้ ผู้ที่รู้นี่ท่านพิจารณาเห็นอย่างชัดเจนมาร่างกายนี้ไม่มีเราเราคือผู้รู้ผู้คิดที่อยู่ในจิตใจเอามาจิตใจเอามาจากความคิดปรุงแต่เป็นสมมติใจนี้สมมุติว่าตัวเองว่าเป็นตัวตนสมมุติว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนของตัวของร่างกายของใจทีนี้แล้วใจก็เลยไปยึดติดกับร่างกาย อาไปยึดติดกับ่างกายใจก็ทุกข์เพราะใจเมื่อมียึดติดกับอะไรก็อยากให้สิ่งที่ตนเองยึดติด น, นั้นดีอยากให้อยู่ไปนานอยากให้ทําหน้าที่ที่ใจต้องการให้ให้ทําคือหาลูกเสียงกลิ่นรสผลทัศภาพมาให้ใจได้เสกอยู่เรื่อยๆะเนื่องจากร่างกายนี้เขามีวงจรของเขา เอาถึงวัยที่เขาจะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ใจก็ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่าง ก, กายแต่ถ้าใจรู้ว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เป็นของชั่วคราวเพิ่งได้เพียงชั่วคราวพอถึงเวลาก็ต้องก็ต้องปล่อยถ้าปล่อยได้ใจก็จะไม่ทุก แต่ที่ปล่อยไม่ได้ก็เพราะว่าใจต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทุกวันนี้เราใช้ร่างกายพาเราไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปลิ้มรสไปเที่ยวไปทำอะไรต่าง ๆ, ๆเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราจริงๆร่างกายไม่ได้เพราะถ้าทิ้งแล้วเราไม่มีวิธีหาความสุขเราก็จะทุกข์กันพระพะทธเจ้าจึงทรงอนพบวิธีใหม่ ที่จะทให้เราทิ้งร่างกายได้ก็คือการหาความสุขภายในใจเองด้วยการทําสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบใจก็จะมีความสุขมีความสุขก็ทําให้ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เือดร้อนปล่ อ, ลอยมันแก่มันเจ็บมันตายได้ไม่ทุกข์อันนี้ก็คือ เรื่องของใจกับร่างกายที่เกี่ยวพันกันใจทุกข์กับร่างกายเราพอใจอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วก็หลงไปคิดว่าร่างกายเป็ น, ปนใจเ ป, นเป็นตนเองพอร่างกายเป็นอะไรก็คิดว่าตนเองจะเป็นไปกับร่างกายแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไม่ได้แก่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเพียงแต่ขาดปัญญาไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่ได้แยกแยะ ด้วยสมาธิถ้าปฏิบัติสมาธิมีใจจะแยกออกจากเ อ, อกจากร่างกายเชื่อคราทาให้เห็นใจอย่างชัดเจนว่าใจเป็นผู้รู้ผู้คิดส่วนร่างกายนี้เป็นผู้ละทำหน้าที่รับลูกเสียงกิริย์ที่เข้ามาทางตาหมจมูก น, นิ้วกายแล้วส่งมาที่ใจอีกทีหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติต้องการละสังโยช น, นี้เบื้องต้นต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถละได้ เพราะถ้าไม่มีสมาธินี้จะไม่จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้เพราะจะต้องยึดร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขนั่นเองหึงอต้องสร้างวิธีหาความสุขแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก่อนคือนั่งสมาธิเข้าฌานได้ฌานสีจะได้รูปเบกขาได้นัตติสันติปา ร, รามสุขขังได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ความสุขที่เกิดจากความสงบพอได้ความสุ ข, ขนี้แล้วก็มาพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าไม่เที่ยงได้เห็นว่าร่างกายในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่มีตัวไม่โเ ว, ว่ามันจะย่อยสลายกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปมันเป็นเพียงเหมือนรถยนต์คันหนึ่งไไม่มีตัวตัวในรถยนต์คนขับไม่ได้เป็นรถยนต์ใจที่ขับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย เมื่อใจพิจารณาได้เห็นชัดเจนใจก็จะละล ะ, ะความยึดติดในขันห้าได้รู้ว่าร่าง ก, กายก็เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงที่เกิดแก่เจ็บตายเวทนาความรู้สึกนึกคิดก็เป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับไปดับเป็นชุดๆไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่จะมาเป็นชุดกันทําหน้าที่พร้อมกันไป เช่นวิญญาณรับรูปมาปั๊บก็เกิดสัญญาตามมาว่าเป็นรูปอะไรรูปดีหรือไม่ดีพอเกิดสัญญารู้ว่ารูปรูปดีหรือไม่ดีก็จะเกิดเวทนาคือสุขหรือทุกข์ขึ้นมาแล้วสังขารก็จะปรุงแต่งต่อไปว่าถ้าสุขก็เกิดตัณหาอยากได้มาถ้าเกิดถ้าเป็นทุกข์ก็เกิดตัณหาอยากจะหนีมันไปอันนี้มันเป็นการทํางานของ นมามขันคือเวทนาสัญญาสังขารที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายและพิจารณาันนี้แล้วก็จะเห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากอยากจะเสกเวทนาสุขเวทนาเวลาอยากแล้วไม่ได้เสกก็จะทุกข์อยากจะได้สุขเวทนาเวลาไม่มีความสุข ก็อยากจะได้ความสุขพออยากได้ความสุขใจก็ทุกขึ้นมาทันทีอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปหาความสุขแล้วพอไปเจอความทุกข์ก็อยากจะให้ความทุกข์หายไปถ้าความทุกข์ไม่หายก็ทุกข์อีกก็ต้องดิ้นรนหา ว, วิธีทําให้ความทุกข์หายไป ก, ก็จะถูกผูกพันอยู่กับการอยากต่างๆ แล้วทุกครั้งที่อยากนี้ใจก็จะกระเพื่อมใจก็จะทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงทรงคนพบว่าวิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับเวทนากับขันธ์นี่ก็คือใจต้องมีอุเบกขาใจต้องเฉยเวลาประสบกับทุกขเวทนาก็เฉยเวลาประสบกับสุขเวทนาก็เฉยอย่าไปอยากให้สุขนา น, าน หรเวลาไม่มีสุขไม่มีทุกข์ก็อยากจะให้สุขก็ก็เกิดความทุกข์ขึ้นหน่อยพอปฏิบัติถึงขังน้นนี้ขัน้นวิปัสสนาก็จะเห็นชัดว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากให้เวทนาให้อยากมีแต่สุขเวทนาหรือเวลามีทุกข์เวทนาก็อยากจะให้ทุกข์เวทนาหายไปดับไปพอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมา น่ทรงเห็นว่าวิธีที่จะทําให้ความทุกข์ในใจนี้ดับไปก็คือให้เห็นด้วยปัญญาว่าเวทนานี้เป็นธรรมชาติที่มีเหตุมีปัจจัยของเขาที่ทําให้เอาเกิดดับตามเรื่องของเขาไปไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เวทนาเป็นสุขเวทนาได้เพอย่างเดียวไม่สามารถกําจัดทุกขเวทนาเวลาปรากฏขึ้นมาได้ต้องปล่อยให้เขาทาหน้าที่ของเขาไป มีเหตุปจจัยทำให้สุขเวทนาเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นมีเหตุทําให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วพอเหตุนะั้นมันเปลี่ยนไปหมดไปสุขเวทนาก็หมดไปทุกขเวทนาก็หมดไปก็ให้ดูเหมือนกับลมพัดเนี่ยฝนตกเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยทําให้ฝนตกทําให้ลมพัดเราไม่สามารถที่จะไปห้ามหรือบังคับลมเรื่องฝนได้ แต่เราก็ไม่ทุกกับลมกับฝนเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นธรรมชาติแต่เรากลับมาทุกกับเวทนาเพราะเราไปคิดว่าเป็นของเราเป็นของที่เราควบคุมบังคับได้แต่ความจริงเราควบคุมบังคับไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าควบคุมบังคับได้เราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายเราก็จะไม่มีความทุกข์เวลาร่างกายทุกปั๊บแล้วก็สั่งให้มันหายปั๊บเลยได้แต่เราสั่งมันไม่ได้ เวลาที่เราไม่มีความสุขมันจะสั่งให้มันผลิตความสุขให้เราทันทีก็สั่งมันไม่ได้งั้นมันก็บองเวทนาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนลมพัดเหมือนฝนตกน่างกายก็เป็นเครื่องมือของการทําผลิตเวทนาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาพอเห็นได้ได้อย่างชัดเจนว่าขันห้านี้เป็นสภาว่าธรรมเป็นธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกลมพัด ใจก็ไม่ไม่ไปยุ่งกับมัน่ะยอมอยู่กับสภาพความเป็นจริงของขันไปขันเปทนาจะทุกข์ก็อยู่กับมันไปเหมือนต้องอยู่กับฝนตกแดดออกน้ําท่วมก็อยู่กับมันไปเวลาฝนแรงฝนไม่ตกก็อยู่กับมันไปเวลาลมไม่พัดก็อยู่กับมันไปอันนี้ใจตอบใจก็จะไม่ทุกข์กับขันให้ตอก ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าขันห้านี้เป็นธรรมชาติเหมือนเหมือนเดินฟ้าอากาศเหมือนลมพัดเหมือนลมพัดฝนตกเป็นต้นใจก็จะละสักกายาทิฏฐิได้ความเห็นที่ไปคิดว่าร่างขันห้านี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราออันนี้ลนะละข้อแรกแล้วสยวยัญญาอีกสองข้อมันก็จะตามมามันมาเป็นพวงพอละข้อนี้ได้แล้ว ความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะหายไปเพราะอะไรเพราะเราเห็นชัดในอริยสัจสีที่เราได้พิจารณาจากการพิจารณาขันห้าว่ามันไม่เที่ยมว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยมหรืออยากให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราเราก็จะเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากอย่างชัดเจนเราก็จะไม่สงสัยว่าธรรมะของพระเจ้านี้เป็นของ ของจริงก็ไม่จริงแล้ ว, มวเมื่อเราเห็นธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในใจเราเราก็จะไม่สงสัยคนที่สอนธรรมะอันนี้ว่ามีหรือไม่เราก็ไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้านี้นี่แหละเป็นผู้ที่สอนธรรมะอันนี้ให้เราเห็นแล้วผู้ที่เห็นธรรมะอันนี้ก็คือพระอริยสงฆ์นี่คือพระโสดาบันผู้ที่เห็นเห็นธรรมเห็นละสตายนทิฏฐิได้ด้วยการเห็นอริยสัจ ส, สี่ เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ก็จะบรบรลุเป็นพระโสดาบนนันแล้ ว, วแล้เจอละข้อสามได้คือศีลพะระจัตรปรามาคือความไม่ไม่เห็นคุณประโยชน์ของของศีลธรรมเพราะเมื่อปฏิบัติเข้าไปถึงจิตจะเห็นว่าเวลาจิตทุกนี้เกิดจากเหตุสองประการนี่กัน ประการหนึ่งก็เกิดความอยากที่เมื่อกี้ได้แสดงให้ฟังอีกประการนึ่งก็เกิดจากการทําบาปเวลาทําบาปนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าใจจะร้อนจะลุกขึ้นมาเป็นไฟทันทีใจจะไม่สบายเวลาเราทําบาเวลาเราพูดปลดนี้เราไม่สบายแล้วเวลาเราคลักขโมยของผู้ อ, อื่นนี้ใจเราจะไม่สบายขึ้นมาทันทนะีก็เลยทําให้เห็นรู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจาก ความอยากหนึ่งเกี่ยวกับการกระทําบาปหนึ่งและวิธีทําให้ความทุกข์เหล่านี้หายไปก็ต้องหยุดความอยากและหยุดการกระทาําบาปเท่านั้นพระโสดาบันก็เลยจะรักษาศี่ห้าอย่างแน่แนนะ่เพราะไม่ต้องการที่จะเผาใจตนเองด้วยการกระทําบาปนั่นเองนี่คือพ อ, พอละสัจญาทิฏฐิได้ ก็จ ะ, ะวิจิตติฉาความลังในสงสัยในพระพุทธประธระรมผสมได้ไม่ต้องไปอินเดียพระอริยะบุคคลกูบาจารย์ตั้งแต่หลวปู่ ม, มั่นมุวตาหมาโบนี้ท่านไม่เคยไปอินเดียท่านไม่ต้อเไปดูว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงท่านไม่สงสัยท่านเห็นพระพุทธเจ้าในใจของท่านท่านเห็นธรรมะคืออริยสิ่อริยสัจสี่ที่พระเจ้าสอนในใจของท่านท่านเห็ น, น, น อ, อนิจจโทขันอนัตตาในขันธ์ห้าในใจของท่าน ท่านก็เลยไม่มีความจะเป็นจะต้องไปอินเดียให้เสียเวล า, าพราะไม่สงสัยแล้วก็จะไม่ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆศีลปัตตะคือพวกที่ยังเชื่อในการวิแก้บนมัง่ง บ, บนบานสารกล่าวหรือทำอะไรต่างๆเพื่อบรรเทาความไม่สบายใจของตัน ที่อาจจะเกิดจากการมีภัยต่างๆเข้ามาคุกคามหรือมีอย่างเช่นช่วงนี้ช่วงโควิดนี้รับประกรันได้คนคงจะไปบวบบานไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อให้อา่าให้โรคภยัยแค่เจ็บตอนนี้หายไปหรือไม่มาไม่มาคุกคามตนเองแต่ทางพระโสดาบานนี้ท่านจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำพิธีกรรมเหล่านี้ถ้ารู้ว่าความทุกข์ใจขงท่านเกิดจากการไม่อยากจะติดโควิด เมื่อท่านพิจารณาว่าโควิดมันก็เป็นเหมือนดินฟ้ากันถ้ามันจะตกมันก็ต้องตกถ้ามันจะติดก็ต้องติดถ้ามันจะต้องตายท่านก็ต้องถ้าก็ยอมรับความจริงว่ามันต้องตายท่านไม่ต้องาจะไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อมาทำให้ใจของตัวเองสบายไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาหมอฮงจุ้ยว่าจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้ทำที่ใจอย่างเดียวหยุดความอยาก อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วไม่มีอะไรจะทําให้ใจของพระโสดาบันไม่สบายขึ้นมาได้ใจของท่านจะเฉยๆเป็นอุเบกขาแล้วท่านก็จะไม่ทําบาปเพราะท่านรู้ว่าเวลาทําบาปนี่ใจของท่านจะไม่สบายจะร้อนขึ้นมาทันทีอันนี่คือการละสังโยน์เบื้องต้นสามข้อนี้ทละได้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบัน ทีพระโสดาบันนี้ละพิมุนสาข้อยังมี 5, อีก้าอีกเจข้ออีกสองข้อก็เป็นของเบื้องต่าอีกสองข้อคือราคะการรมราคะคือความอยากเสกามยังอยากร่วมเสกเป็นยังอยากจะร่วมหลับนอนกับบุคคลนั้นบุคคลนี้อยู่แล้วก็ปฏิฆะความหมดหุดหิดใจที่ยังมีอยู่พระโสดาบันนี่ยังละไม่ได้ พระโสดาบาันท่านจึงยังมีแฟนอยู่ท่านยังถ้ามีสามีมีภรรยาท่านก็ยังจะอยู่ด้วยกันต่อไปท่านจะไม่ไ ม, ไม่ไม่แยกทางกันเพราะท่านยังต้องอาศัยร่างกายของแฟนให้ความสุด ข, ของท่านอยู่เพราะท่านยังละกามาราคาไม่ได้ยังละปฏิฆาไม่ได้กามาราคากับปฏิฆะมันก็มาเป็นคู่กันเวลาเกิดกามาราคามันก็จะเกิดปฏิฆะคาวาหมหงุดหงิด ใ, ใจตามมาใช่ม เวลาอยากจะดีแฟเวลาอยากจะร่วมหลับนอนกับใครนี้ถ้าไม่ได้ร่วมหลับนอนมันจะรู้สึกกดเก็บรู้สึกเหงารู้สึกไม่สบายใจนี่คือปฏิฆะวิธีที่เราดับละการบรรคา ป, ปฏิฆะก็คือสำหรับผูุ้ชนหรือผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นสู่ทำขั้นสูงต่อไปก็จะละด้วยการไปทำไปทากิจกรรมนั้น พอเรามีความอยากจะร่วมหลับนอนกับใครพราะมง่วน จ, จิตใจแล้วก็ไปหาหาคนนั้นคนนี้ไปร่วมหลับนอนพอได้ร่วมหลับนอนมันก็สง บ, บตัวลอกไปชั่วคราวแต่ไม่นไม่หายไปตลอดเดี๋ยวมันก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่สองสามวันเดี๋ยวก็เกิดการมาราค้าผล่ขึ้นมาใหม่วิธีที่จะดับมันอย่างถาวรนี้ต้องใช้วิธีของพระอริยเจ้าหรือต้องเจริญอสุภะต้องดูความไม่สวยงามของร่างกาย ดูส่วนที่ไม่สวยงามที่เรามองไม่เห็นกันเพราะว่ามันถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังป่วย อ, อาการต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ของร่างกายของของผิวหนังใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นแล้วก็มีกระดูกเป็นต้นมีปอดมีตับมีหัวใจมีลำไส้ถ้าเรามองเห็นอาการเหล่านี้เราให้ไปประกวดนางานจั ก, กรวาลที่กลำลังประกวดตอนนี้ ถ้าสมมติว่าร่างกายนางงามจักรวาลนี้ผิวหนังนิสัยมันถุงพลาสติกนี่จะจะจะเห็นหมดภายในก็จะไม่จะไม่มีใครตัดสินให้เป็นนางงามได้เพราะมันไม่งามมันมันมีแต่ของของน่าเกลียดของไม่สวยไม่งามซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังที่มันทึบที่ตาเนื้อมองไม่เห็นแต่มันไม่สามารถปิดบังตาของปัญญาได้ถ้าบอกปัญญานี้ สามารถมองทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้แสงอาทิตย์นี้ยังไม่สามารถที่จะผ่านของชึ้นได้นะแต่ปัญญาที่สามารถมองทะลุของที่ทึ้ได้ด้วยการหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆด้วยการศึกษาไปดูของจริงเช่เนไปดูการชันสุขศพหรือ ส, สมัยโบราณท่านก็ไปดูปา่าช้าไปเยี่ยมป่าชาไปดูซากศพต่าง ก็จะเห็นอวัยวะต่างๆภายในอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสุภาษเอามันึกเอามาคิดอยู่เรื่อยๆจนท่านมันจําได้มองเห็นร่างกายทีไรก็มองเห็นทะลุเข้าไปเห็นโครงกระดูกเลยเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้เลยพอเห็นอย่างนี้แล้วไม่ว่าจะแต่งกายให้สวยงามขนาดไหนเสริมความงานขนาดไหนมันก็ไม่สวยอย่างนี้คราะ พอมันเห็นโคงก็ดูกอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่เอาแล้วไม่อยากได้อันนี้ก็คือการเจริญอสุภะสําหรับขั้นที่สองคือขั้นพรสกิดาคางนี้ท่านจะละการมาราคัตกับปฏิฆะได้ทําให้เบาบางลงแต่ยังไม่หมดคือแสดงาาว่าท่านยังไม่สามารถเห็นอสุภะได้ตลอดเวลาบางทีท่านก็ยังเสือท่านไม่ได้พิจารณาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง เห็นตลอดเวลาแต่ท่านเห็นบางเวลาบางเวลาที่ท่านเห็นความเบื่อหน่ายความอยากเสพการมันก็จะดังน้ำไปชั่วข้าวใจยังไม่หายไปตลอดเดี๋ยวพอเผลอปรุงไปนึกถึงภาพรูปร่างหน้าตาสวยงามขึ้นมาอีกก็เกิดการมาราคาขึ้นมาแต่ถ้าท่านมันพิจารณาอยู่เรื่อยๆซ้ําแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งจําได้ตลอดเวลา มองเห็นร่าง ก, กายทีไรก็เห็นทะลุเข้าไปทุกครัง้งถ้าเห็นอย่างนั้นท่านก็จะสามารถล ะ, ะการมาราคะกับปฏิฆาตได้อย่างสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นขั้นที่สามเรียกว่าขั้นของพระอราคานี้นี่คือสังโยชต์เรื่องตามที่เกี่ยวกับร่างกายที่ที่ผูกให้จิตใจมาผูกความในความผูกพันติดอยู่กับร่างกาย เพะยังมีความอยากจะเสกกรมอยากเสกรูิเสียนเกิดเขงบุคคลนั่นบุคคลนี้ mm. ก็จาเป็นที่จะต้องมามีร่างกายมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเสกกรรมเนี่ย mm. สหรับผู้ที่ mm. ผ, ทผู้ที่ละสังโยชนทั้งห้าข้อที่ได้ mm. ก็จะหมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเพราะไม่จะไม่ต้องมา มีร่างกายเพื่อใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเพราะสามารถมีความสุขจากการทำใจให้สงบได้จากการระงับสังโยชน์ต่างๆทุกครั้งที่สังโยชน์นี้ถูกระงับไปนี้ใจจะสงบขึ้นมาใจจะมีความสุขขึ้นมาทุกครั้งที่เราละการมาราคาได้ละปฏิฆาได้ใจจะมีความสุข การละนี่ก็มีสองแบบแบบปุถุชนก็ละแบบไปเสกการมการม า, ราคะก็ระงับชั่วขา่าวแต่ไม่ระงับถาวรถ้าจะระงับแบบพระอริยก็ต้อ ง, งระงับด้วยอสุภะมองให้เห็นอสุภะพอให้อสุภะแล้วความอยากเสกการมมันก็จะหายไปแล้วก็จะหายไปยอยากถาวรต่อไปเพราะทุกครั้งที่อยากจะเสกการมมันก็ยากอสุภะมันก็จะโผไปเึ้นมาทันที ขึ้นมาทันทีจน ก, กระทั่งมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้มันไม่อยากจะโผลม่มันเห็นความจริงของร่างกายแล้วว่ามันน่าเกลียด น, น่ากลัวมากกว่าน่ารักมันก็เลยไม่มีความปรารถนาที่อยากจะเสพการไปอันนี้คือการละสัมยชนเบื้องตาก้าข้อนี้ถ้าละได้ทั้งห้าข้อก็จะทําให้บรรลุถึงธรรมอริยขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามี ถ้าสมมติว่าถ้าท่านตายไปก่อนที่จะบรรลุขั้นพระอาหารหันต์จิตขอนท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกต่อไปเพราะถ้าไม่มีความปัตนาที่จะเสดกลางอย่งแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่จมําเป็นจะต้องมีน่างกายพระอนาคามีนี้ก็จะไม่กลับมาเกิดในกลามาภพกางมาภพก็คือภพของมนุษย์ภพของสัตว์เดรัจฉานภพของเทวดา มลวิชต า, าขั้นต่ำภพของนาโรภพของเปรตที่พวกนี้เขาเสกการทั้งวันอยู่ท่านจะเป็นเกิดในภพของพรหมอยู่สองระดับเป็นรูปประพรหมและรูปประพรหมขึ้นอยู่กับว่าจิตของท่านนี้เข้าถึงฌานระดับไหนถ้าถ้าเข้าถึงฌานระดับรูปประฌานก็จะไปอยู่อรูปประภพเนืรูปประพรห ม, รปปรรมเป็นรูปประรมร ถ้าเข้าถึงอรูปปชาญได้ก็จะไปสู่ระดับอรูปปมงแล้วก็จะปฏิบัติทําต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์คือสามารถละสังโยชน์เบื้องบนได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเพราะว่าสังโยชน์เบื้องบนนี้มันเกี่ยวกับจิตใจของท่านเพียงอย่างเดียวสังโยชน์เบื้องบนห้าข้อสองข้อแรกก็คือรูปราคะกับอรูปราคะ ก็คือความติดอยู่ในรูปประชาระรูปประชานั่นเองท่านเมื่อเมื่อท่านไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขท่านก็เลยใช้รูปประชาระรูปประชาเป็นเครื่องมือหาภวามสุขแต่รูปประชาระรูปประชามันก็ไม่เทียมมันเป็นอนลิจักมันไม่ถาวรเข้าแล้วเดี๋ยวก็ต้องถอดออกมาเมื่อเมื่อจิตมีสติคุมให้นิ่งมันก็มันก็จะสงบ กรูปปัจจานรูปประชานแล้วพอสติอ่อนกําลังลงมันก็ถอนออกมาเวลาเข้าก็มีความสุขเวลาถอนออกมาก็มีความทุกข์เพราะจิตถอนออกจากความสุขของรูปประชานารูปประชานนั่นเองผู้ปฏิบัติถึงขั้นนี้ก็ต้องพิจารณาเห็นว่าการไปติดสุขของรูปประชานรูปประชานก็เป็นเหมือนกับการไปติดสุขของทางร่างกายเพราะร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตาย เวลาร่างกายแก่เจ็บหรือจะตายนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ทันใดชาติก็เหมือนกันเวลาเวลาสติมีกำลังอ่อ น, นก็ไม่สามารถที่จะเสดความสุขจากรูปปัจจันทร์หรือรูปประชานได้ท่านต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายรักเหนว่ารูปประชานทรูปประชานเป็นตายรักแล้วท่านก็จะละมันได้ไม่เสดก็ได้เหมือนก็ไม่เสดไม่เสดรูป ไม่เสพอ่าไม่เสพกายก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่ามันเป็นเหมือนยาเสติดนะคนที่เสพยาเสพติดนี้เวลาไม่ได้เสพจะเดือดร้อนแต่คนที่ไม่ได้เสพยเาเสพติดนี้เวลาไม่ได้เสพก็มไม่เดือดร้อนรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนใจของผู้ที่ละลูกกายลูปราคะอรูปราคะได้ก็จะอยู่กับโมเบกขาเฉยเฉย ซึ่งุงเบกขาก็คือความสมบงบอีกที่ให้ความสุขอีกแบบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้ความสุขจากรูปปัจจางแกืรูปปาัางแล้วก็ยังมีเหลืออีกสามข้อ ก, อ, กอีกข้อหนึ่งก็คืออุทาจจะคือความฟุ้งซ่านของจิตจิตในระดับนี้ยังฟุ้งซ่านได้แต่ไม่ได้ฟุ้งซ่านด้วยด้วยความอยากเสกกลางไมไ่ความอยากจะเข้าสมาธิ แต่เป็นความฟุ้งร้างที่อยากจะทำลายความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ในใจให้หมดไปด้วยการจเจริญปัญญาและวิปัสสนาอย่างเลยขอบขตคือจิตก็เหมือนร่างกายถ้าทำงานมากเกินไปมันก็เหนื่อยได้มันก็ฟุ้งได้ฉั้นผู้ที่มาถึงขั้นนี้เวลาเข้ามาใหม่ๆนี้จะพยายามใช้ปัญญาขุดกล้วยหาหาหาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ ว่าคอยจะดูกิริยาการของจิตใจตลอดเวลาว่าตอนนี้จิตใจเป็นยังไงทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกก็ไปายามคุดคุดกล้วยหาสาเหตุบางทีมันคุดกุ้ยมากจนเกินไปจงึงกระทั่งจิตมันฟุ้งขึ้นมาหาสาเหตุไม่เจอก็ต้องลังรับด้วยการหยุดพิจารณาชั่วคราวแล้วกลับเข้าไปพักในสมาธิก่อนพักจิตก่อนอันนี้ก็จะเป็นวิธีละพุทธเจ้ได้ คือความฟุ้งซ่านของจิตใจแล้วก็จะหมายข้อหนึ่งก็คือมานะคือในจิตนี้ยังมีตัวตนอยู่ยังถือมีตัวตนก็ต้องขุดคุยหาดูว่าตัวตนนี้มันเกิดจากอะไรก็จะเห็นว่ามันเกิดจากสังขารกับสัญญานี้พอนึกว่าพอนึกขึ้นมาปั๊บตัวตนก็ปรากฏพอนึกถึงตัวตนนะมันก็เป็นตัวตนขึ้นมาพอหยุดนึกตัวตนมันก็หายไป ก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงแต่การทำงานของสัญญาสังขารทนั้นเองตัวตนจริงๆไม่มีเป็นแต่ตัวรู้เท่านั้นเองพอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจว่าความทุกข์ของตัวเองนี่เกิดจากการไปไปเชื่อสัญญาสังขารเวลาสัญญาสังขารว่าว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ก็ก็ไปเชื่อแล้วก็ไปยึดไปติด ก็ต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สัญญาสัมพันว่าว่าเป็นว่าเป็นสุขว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขนั้นมันไม่ใช่มันเป็นทุกข์เพราะมันทุกอย่างมันไม่เทียมในทสุดมันก็จะเห็นเห็นเห็นความทุกข์ที่เหลืออยู่ว่าเกิดจากเกิดจากความอยากต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในใจนั่นเองก็จะละอวิชานะอวิชชาคือความไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นทุกสมุทัยนี้รุดมากที่ยังมีข้างๆอยู่ในใจอยู่อันนี้ก็พูดแบบคร่าวๆให้ฟังรายละเอียต้องต้องไปปฏิบัติถึงจะมาคุยกันเมื่อเพราะว่ามันความขนาดนี้คงยังคงมันนะเพราะมันเป็นสัตว์ที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังกนนมาก่อนก็ได้อันนี้ก็เพียงจะพูดคร่าวๆว่าเนี่ยสัมยนต์เรื่องบนก็มีอยู่ห้ารูปราคะความยึด เต็มในรูปประชาอารุป ร, ราคะความยึดติดในอารมณ์ประชาอุทจฉาความฟุ้งซ่านของจิตที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาเกินขอบเขตแล้วก็มานะการถือตัวคิดขึ้นมาเองว่าถือเราใหญ่กว่าเขาเราเราได้เกาะเขาเราคิดขึ้นมาเองใช่ไหมแต่เราไม่รู้เราวัดกันยังไงเราก็ไปวัดที่ตำแหน่งว่าวัดที่รางวัล้ากอตอนนี้หมอได้รางวัลที่เห น, นือเงี้ย ที่เขาได้รางวัลที่สองนี่ยังก็เก่งกัเข้าเนี่ยมันก็เป็นการวัดไปเท่านั้นความจริงตัวจิตมันมีมันมีเครื่องวัดที่ไหนตัวจิตมันเป็นตัวว่างมันไม่มีขนาดมันไม่มันไม่กว้างไม่แคบไม่สูงไม่ต่ำมันเป็นตัวรูปเฉยๆ น, นี่ก็เป็นการละมานะแล้วก็ละอวิชาก็คือการยังไปยึดไปติดอยู่กับความสุขที่ละเอียดที่มีอยู่ในจิตใจ แม้แต่ความสุขอันละเอียดที่สุดที่เหลืออยู่ในจิตใจนี้ก็ยังเป็นอนิจจ์ไม่เทียมเป็นอนัตตายก็ต้องละมันให้ได้เ่อละมันได้หมดแล้วจิตใจก็จะหลุดจากความทุกข์ทั้งปวงความอยากต่างๆที่มีในใจก็จะหมดไปใจก็จะพบกับความ วางที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่พระเจ้าบอกนี่บางนามปรมังสุญัมนิพานก็คือความว่างที่บานามปรมังสุขครังความว่างนี้ก็คือความสุขอันยิ่งใหญ่อ น, นี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสังโยชน์ที่จะมาฝากเล่าให้ฟังคร้าวๆให้เป็นเหมือนการให้รู้ว่าเป็นแผนที่ว่าถ้าใครอยากจะไปนิพานนี้ไม่ใช่ถามอย่างเดียวว่าทําบุญทําทานรักษาศีลแล้วไปนิพานได้หรืปล ไม่ได้หรอกถ้าอยากจะไปนิพพานนี้ต้องละสังโยชน์ทั้งสิประการนี้ให้ได้เราต้องไปศึกษาว่าสังโยชน์สิประการนี้มีอะไรบ้างลักระได้อย่างไรเครื่องมือที่จะละได้จริงๆก็คือสมาธิและปัญญานี่ส่วนศีลนี่เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เราได้สมาธิพอเราได้สมาธิแล้วเราก็ต้องเจริญปัญญาพิจารณาขันห้าให้เห็นว่าเป็นใตยลัคนี้เป็นต้น พิจารณาร่างกายไม่สวยไม่งามแล้วก็พิจารณาอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจว่าไม่เที่ยมขอบคุณพระาา อ, ะะ อ, อาจารย์ชัดเจนมันได้ยาวมันยาวไปนะครับนี่โอ้ขอบขอบพระคุณพรอาจารย์ชัดเจนแจ่มแจ้งถึงแม้จะปฏิบัติไปไม่ถึงก็ยังยังรู้สึกว่าเห็นเห็นทางข้างหน้านะครับพระอาจารย์เป็นเหตุเป็นผลมากเลยครับ เบื้องต้นนี้ก็พยายามสติให้ได้สมาธิใ ห, าให้ได้มันเข้าฌานให้ได้ไม่ได้ฌานแล้วทีนี้ก็มาพิจารณาขันห้าเบื้องต้นก็ดูร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสิดินน้ำลมไฟเวทนาก็เป็นเป็นสภาวะธรรมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยที่เราไม่สามารถไปควบคุมขับมันได้เราก็จะละเราก็จะละไอสังโยชน์ตัวแรกได้ แล้วเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยาสาัจสีเห็นตายรักอย่างชัดเจนเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธธรรมผสมเราก็จะไม่ไปมีการประกอบทำพิธีอะไรต่างๆเพื่อมาระบายเรื่องดับความไม่สบายใจต่างๆของเราเพราะเรารู้เหตุของความไม่สบายใจเกิดจากการทำบาปหรือเกิดจากการมีความอยากเราแค่นี้ให้ได้ก่อนขั้านี้ก่อน กลับกับท่านคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารเคยผมเคยอ่านที่ประวัติหลวงตาครับหลวงตามหาบัวท่านท่านอยู่ช่วงหนึ่งท่านบอกว่าปัญญาหมุนติ้วเหมือนท่านอาจรย์พูดติดเอาทัดจ่าเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่นั่นแหละท่านก็เจ้าทัดจ่าแล้วท่านก็บอกต้องพักันึ่งที่ท่านบอกท่านนอนไม่หลับสามวันสามคืนพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องจนฟุ้งไปเลยไม่ได้เห็นไม่ได้ผลบอกเราสังเกตดูเวลาหมอทํางานหนักคิดบ้างนิดคิดไปคิดมา คิดไม่ออกเห็นมไหมหาคาตอบไม่ได้แต่พอหมอไปพักผ่อนนอนหลับไปไปพักผ่อนเปลนวิยาบทไปทํำอะไรแล้วเรากลับมาทํางานาใหม่เอ๊เห็นภาพชัดเจนกับเกาปัญหาที่เคยพยายามแก้มองไม่เห็นพอเราทิ้งมันไว้สักพักแล้วเราไปพักจิตใจผ่อนผ่อนคลายจิตใจแล้วพอเรากลับมาดูปัญหาเอ๊ะเห็นช่องทางแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นั่นแหละคือปัญญา บันที่ทํามันมากเป็นไปมันก็เหมือนมีดใช้จนกระทั่งมันทื่อฟันยังไงก็ไม่ขาดแล้วนี่ก็ต้องหยุดฟันไปรับมีดก่อนหยุดไปรับมีดก่นแลกลับมาฟันใหม่ท่านบอกว่าพอจิตเข้าไปในสมาธิแป๊บพอกลับมามาพิจารณาเรื่องเดิมนี้แป๊บเดียวนั่นหลุดเลยทั้งหมดมันก็มีดเนี่ยพอมันฟันมันทื่อฟันงไงไม้มันก็ไม่ขาดก็เลย ไปท่านนอนกินข้าพักผ่อนหลับนอนกินช้า ม, มีกําลังแล้วก็รับบินใหม่ให้มันคมแลว้วพอกลับมาฟันไม้เท่านั้นใหม่ฟันสองทีขาดเลยครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับแล้วผมขอโอกาสถามจากของเพื่อนๆบ้างนะครับอาจารย์ครับครับคําถามแรกจากคุณภาวิดาครับบอกว่าถ้ายังไม่มีสมาธิแต่พยายามบริกรรมพุทโธอยู่เท่าที่ทําได้หลุดไปก็ตั้งต้นใหม่จะสามารถบรรลุทําได้หรือไม่คะ ก็เป็นเบื้องเบื้องต้นการเยโรรุทธรรมมันไม่ใช่แต่สติอย่างเดียวมันต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีการพิจารณาปัญญาให้เห็นสภาวะธรรมต่างๆว่าเป็นไตรลักษณ์ให้ได้แต่เบื้องต้นก็ต้องพยายามบริกรรมพุทโธไปก่อนทําให้มันจะถ้านสามารถบริการพุทโธได้อย่างต่อเนื่องเป็นเป็นเขาเรีย่า เป็นสัสมปะชัญญะเบื้องต้นก็จะเป็นสติแบบล้มลุกคลานพุทโธบ้า ง, า ง, ดางเดี๋ยวก็ลืมแล้วเดี๋ยวก็กลับมาพุโทโธใหม่ต่อไปก็พุโทโธก็ยาวขึ้นไปยาวขึ้นไปเรื่อยๆจนต่อเนื่องไปถ้ามันต่อเนื่องได้สักห้า น, นาทีนี้นั่งสมาธิก็เข้าฌานได้พอเข้าฌานด้านจิตก็จะมีพลังมีิวเบค้าที่จะสามารถเอาไปพิจารณา ทางด้านปัญญาเพื่อพิจารณาเห็นว่าทิศอย่างเป็นแค่ดินน้ํำลมไฟร่างกายเป็นแค่ดินน้ําลมไฟคำถามจากคุณโต้งครับการอภิษฐารพระอาจารย์ครับเวลาผมเข้าสมาธิไปแล้วคือไปว่างๆอยู่กับจิตดวงเดียวสงบสงบสุข ส, สุเบาเบาว่างๆอันนี้คืออรูปปัจานใช่ไหมครับอาจารย์คิดว่าคงจะเป็นรูปเป็นรูปปัจจานมากกว่าเพราะรูปปัจจานละเอยียดมากกว่านี้ ก็คงจะเรียกว่าอยู่ในระดับของชา้นสี่อากจะอยู่จะจะเลิกมากน้อยเท่าไหร่นี้ยังไม่อาจจะต้องทําต่อไปอาจจะเข้าไปยังอาจจะไม่เลิกเร็มที่ก็ได้อันนี้นอกเรื่องปฏิบัตินิดนึงครับอาจารย์ครับคุณกฤชพรถามว่าวันเปิดให้เข้าไปปฏิบัติวันที่เท่าไหร่คะวัญตอนที่<ก>ทางวัดยังไม่ได้กําหนดเนืเพราะก็ยังไม่แน่ใจก็ต้องรอดยเหตุการณ์ก่อน ก็รำโทไปถามที่สำนักงานได้แล้วก็ทางเข้าไปในเพจของวัดยาธรรมรานเขา่าจะมีมีมีทีติดต่อสามารถโทรไปถามก็ได้ว่าเขาเปิดให้เข้าไปพักได้หรือยังจากคุณคัมภีพันธุ์ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาที่โยมทําสมาธิมักจะติดทิ้งกายดับแล้วไปทรงอยู่ที่จิตตลอดค่ะแต่ก็มีสติตัวรู้อยู่เจ้าค่ะแบบนี้จะดีหรือไม่ดีเจ้าคะจะต้องทําอย่างไร เพราะจิตมันเห็นขันห้าของกนักโนของหนักโนของหนักโนมั น, นไม่อยากแบกครับพ อ, พอปล่อยกายแล้วก็วกสบา ย, บายครับใช้เวลานั่งสมาธิมันก็จะเป็นอย่างจิตจะปล่อยร่างกายชั่วคราวแต่ยังไม่ได้ปล่อยแบบท้าววนพอออกจากสมาธิมามันก็กลับมาแบกต่อดวิธีที่ไม่ไปแบกก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเหมือนต้นไม้ ทอนไม้ท่อนฟืนทำมาจากดินน้าลมไฟมันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเพราะนั้นแหะมันก็จะไม่แปบคำถามจะคุณศศัก์ครับขออนุญาตสอบถามครับพระอาจารย์ถ้าเราศึกษามากๆเวลาทำสมาธิจะฟุ้งหรือเปล่าครับพระอาจารย์มันคนละเรื่องกนนันเวลาศึกษานี้เราก็ต้องใช้ความคิดการศึกษาธรรมะนี้จะไม่ทาให้เราฟุง้งถ้าเราไ ม, ไม่ศึกษามากจนเกินไป เช่นเรจจะฟังเทศฟังธรรมสักชั่วโมงหลึ่ก็ควรจะหยุดแล้วก็มาทําสมาธิ่ อ, อสลับกันได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมาเรียนทั้งวันนี่เดี๋ยงแค่ชั่วโมงเดียวอ่านหนังสือธรรมะชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มานั่งสมาธิชั่วโมงสลับกันยินจะไม่ฟุ้งนะอาจารย์ครับพี่บอยส่งข่าวมาคนที่อยากปฏิบัติธรรมที่วัดยาให้โทรไปที่เบอร์0815860188นะครับขออนุญาตแรกหนึ่งนะครับ จากคุณอุครับกับเรียนถามผ้าจารย์ค่ะสับเพ ธ, ธรรมาอนัตตาช่วยอธิบายให้ลูกเข้าใจเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะก็ทำทั้งหมดที่เราสัมผัส ด, ด้วยใจนี้เป็นอนัตตาเช่นรูปสิยงกิจรถต่างๆนี้มันเป็นมันไม่มีตัวตนเราเห็นร่างกายของใครนี้ก็ไม่มีตัวตนเราเห็นร่างกายนี้เราก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับเราเห็นต้นไม้ต่างกันตรงที่ต้นไม้มันมันมันเดินไม่ได้ มันพูดไม่ได้มันไม่มีตาหูจมูกเลี้ยงกายแต่ร่างกายนี้มันมีตาหูจมูกเลงกายแต่มันก็มันก็ทํามาจากดินน้าลมไฟเหมือนกับต้นไม้นี่ยมองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นเป็นเป็นสภาวะธรรมเหมือนลมเหมือนน้ําเหมือนฝนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวตนคําว่าสัมเบธมานาตาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเรา ของต่างๆที่เรามีอยู่นี่ที่เราเรียกว่าเป็นของเรานี่มันเป็นของเราชั่วคราววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจากออกไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปคุณสุขทุกอยู่ที่ใจครับขอคําแนะนําการปฏิบัติเบื้องต้นในปีแรกที่เริ่มปฏิบัติครับพระอาจารย์เอาแบบเบื้องต้นที่ควรทําครับก็เบต้นก็ต้องมีศีลต้องรักษาศีลห้าแล้วก็เพิ่มถ้าอยากจะปฏิบัติแบบเแขบบ้มข้นก็ต้องถือศีลแปด แล้วก็หัดเจริญสติวิธีเจริญสติแบบง่ายๆก็มีสองวิธีคือหมั่นระลึลกถึงพุโทโธพุโทโธอยู่ภายในใจอย่าปล่อให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาตั้งแต่เริ่มตาขึ้นมาเลยนะพอริมตาขึ้นมาปกติเราจะคิดเลยวันนี้จะทําอะไรไปไหนดีอย่างนี้อย่างนี้อย่าให้มันคิดถ้าไม่จําเป็นคิดได้ถ้ามันจำเป็นพอคิดเสร็จแล้วก็มันจะคิ ด, ดเรื่อยเปื่อยก็ใช้พุโทโธพุโทโธอยู่ เลยบั ง, บงคับให้มันเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังล้างหน้าแปลงฟันก็ให้มันอยู่กับการล้างหน้าแปลงฟันอย่าให้มันไปคิดถึงอาหารที่เราจะกินมื้อต่อไปหรือคนที่เราจะไปพบที่นั่นที่นี่ไม่ให้คิดทั้งนั้นอันนี้นะในการจเจริญสติเพื่อหยุดความคิดแล้วเราควบคุมความคิดได้เราก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้ นี่คือเบื้องต้นฝึกสเจริญสติแล้วก็นั่สมาธิให้เข้าฌานให้ได้ก่อนเมื่อได้ฌานแล้วได้สมาธิแล้วค่อยามาเรียนทางปัญญาต่อไปพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำหมุนพายเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งคุณกำมธรามครับ นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกช่วงไหนถึงเปลี่ยนมาพิจารณาร่างกายคะไม่พิจารณาเลยเวลานั่งสมาธินี่คนละคนละคนละวิชากันคนละแผ น, นกันถ้าเป็นเรียนหนังสือก็ถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์เราไม่ไปต่อด้วยด้วยประวัติศาสตร์เอเราให้จบจบค้าบของของคณิตศาสตร์ก่อนแล้วเราค่อยไปเรียนอีข้ามอีกข้องหนึ่ง อันนี้เวลานั่งสมาธินี่เราไม่เจริญปัญญาไม่พิจารณาร่างกายเราดูลงมา ใ, ใจอย่างเดียวให้จิตเข้าสู่ความสงบพอจิตสงบก็ให้มันสงบไปนานๆพยายามหนึ่งจิตไว้ไม่ให้มันออกมาคิดปุ่มแต่งจนกว่าจะดึกไม่ไหวแล้วพอมันออกมาจากสมาธินะครทีนี้ค่อยไปพิจารณาร่างกายได้ถ้าเราการจะพิจารณาจากคุณบีครับถ้าเราทำงานกับหัวหน้าที่เห็นแก่ตัวเราและ ไม่เสมอภาคต้องทําอย่างไรให้ใจเราไม่เป็นทุกข์คะก็เหมือนกับดูเราเราดูนิวน้วเราสินิ้วเราเสมอภาคกับเาเรามีห้านิ้วนี้มันเท่ากันกับเาถ้าทําไมเราอยู่กับมันได้ใช่ไหมเราก็ต้องมองว่าเขาก็เหมือนเหมือนกับเหมือนกับนิว้วบางคนก็เห็นแก่ตัวมากบางคนก็บางคนก็เห็นแก่ตัวน้อยบางคนก็ไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นมันก็เหมือนกัน่ะคนเราก็เหมือนนิ้วเนี่ย แล้วก็พยายามมองคนว่าเป็นเหมือนนิ้วเหมือนกันมีทั้งนิ้วก้อยมีทั้งนิ้วโป้งมีทั้งนิ้วกลางนิ้วชี้ไม่เหมือนกันอาจารย์วันนี้มีหลายคอมเมนต์เลยครับที่บอกว่าธรรมะที่พระ อ, อาจารย์แสดงนี้เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นแนวทางชัดเจนเลยนะครับอาจารย์ครับเดมาก์สจิตใชด้วยครับจากว่าการพิจารณาร่างกายคือการใช้ความคิดปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งคิดอยู่ในร่างกายจิตไม่ส่งนอกใช่ไหมครับ ก็ก็คิดอยู่ในเรื่องของร่างกายอย่างเดียวไงมันก็ส่งน่าแต่ไม่ส่งไปที่เรื่องของร่างกายฉันนี่จิตยังส่งออกนอกอยู่เพราะว่าร่างกายมันอยู่นอกจิตไงจิตไม่รู้ไม่รู้จักร่างกายอย่างถ่องแท้ว่าเป็นอะไรจึงต้องศึกษาใหม่แม้กับนักศึกษาแพทย์ก ok ็ไม่รู้จักร่างกายของตัวเองใช่ไหมถ้ารัางที่อยู่กับร่างกายมาตั้งแต่เกิดก็ยังไม่รู้ว่าร่างกายของตัวเองมีอวไรวัยอะไรบ้างนักศึกษาแพทย์ทุกคนนี่ต้องเรียนอนาโตมีกันใช่ไหม วิช า, าตอนนี้เพื่อจะได้รู้ว่าในร่างกายนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันตั้งศึกษาแพทย์เลยเในเรื่องของการพิจารณาร่างกายต่างตรงที่ว่าไม่ได้ศึกษาเพื่อรักษาไม่ได้หาเหตุว่าทํามาร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาด้วยอะไรน่าจะรักษาด้วยวิธีใดแต่จะศึกษาดูความจริงของร่างกายว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันเจริญแล้วมันเสือ่อมก็ไม่เสื่อมเท่านั้นเองให้มองตามความเป็นจริง นี่คือการพิจารณาร่างกายหรือว่ามันสวยงามไ ม, ไม่สวยงามเท่ า, านั้นเองต่างกันตรงนี้นคุณสารุตาครับถามทํำยังไงให้มีสมาธิครับให้หยุดความคิดนะมีความคิดให้มีสติใช้สติหยุดความคิ ด, ค ว, คดวิธีจะทําให้มีสติก็ต้องหมั่นระลึกถึงพูดทอลพูดทอลอยูเ่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิ ด, ดเรื่อยเปื่อยทนที่จะคิดเร่อยเปื่อยเราคิดพูดทอลพูดทอลพูทอลแทนแล้วจะมีสติ พอนั่งสมาธิจิตก็จะสงบแต่คําว่าสมาธิของโยมนี่อาจจะหมายถึงสติ ก, ก็ได้นะเพราะว่าท า, ทางโลกนี้จะใช้คําสมาธิแทนสตินะวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยความจริงก็คือไม่มีสติอยู่ในการทํางานไม่มีสติ ก, ก็ปรุงใจให้อยู่การทํางานเพราะว่าสมาธิจริงๆนี้มันเป็นฌานในความลึก ความตั้งมั่นถั้งเรียกว่าสมาธิตั้งมั่นอยู่ในความสงบด้วยไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่กับการดูภา พ, พ ย, ายนต์ไม่ได้ตั้งอยู่กับการทำงานอันนั้นไม่ถือว่าเป็นสมาธิตามภาษาภากนี่บางทีโยมถามคาว่าสมาธิเราไปตอบอีกความหมายหนึ่งก็ได้ถ้าโยมหมายถึงสมาหมายถึงสติก็คือต้องหมัน่นเจริญพุโทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆและคอยเฝ้าดูการกระทาต่างๆของร่างกายอยู่ตลอดเวลา ก็จะมีสติขึ้นมาแล้วถ้าอยากให้มีสมาธิก็ต้องนั่งหลับตาแล้วก็จเจริญสติต่อดูลมาหายใจเขาเา้าออกอย่าไปคิดถึงเรื่องราวตา่างๆแล้วจิตก็จะรวมเป็นสมาธิรวมเป็นหนึ่งขึ้นมาจ า, <c oughs> จากคุณเกียงครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วช่วงแรกมีพุทโธแต่สักพักพุทโธหายจิตดับแต่ก็ได้ยินธรรมะบ้างไม่ได้ยินบ้างบางครั้งนั่งที่ทํางานใครพูดอะไรก็ได้ยินนั่งไปสักพัก ก็ถึงชั่วโมงอันนี้ถือว่าหลับหรือเปล่าคะก็ไม่รู้เหมือนกันแหละคุณจะคุณต้องรู้ตัวของตนเองว่าคุณหลับหรือไม่หลับเช่นตอนนี้คุณนั่งฟังอยู่นี้คุณรู้สึกตัวตลอดเวลาใช่ไหมชัดเจนเนี่ยไม่ต้องเป็นแบบนี้มันถึงจะเรียกว่ามีสติสมบูรณ์แต่ถา้ารู้บ้างไม่รู้บ้างก็อาจจะบหลับบ้างตื่นบ้างก็ได้เพราะเวลานั่งสมาธินี่มันโอกาสที่จะเคลิ้มมันง่าย เพิ่แล้วก็ดลับไปอาจจะหลับเป็นพักๆแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่คุณจ็กเกอร์ครับขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับการฟังเทศของพระอาจารย์ไปด้วยและดูลมหายใจเข้าออกไปด้วยได้หรือไม่ครับถ้าฟังเทศก็อย่าฟังเทศอย่างเดียวจะดีกว่าจะได้จะได้เต็มร้อยเกี่ยวกับเรื่องการฟังหรือถ้าอยากจะดูลมหายใจก็อยากไปฟังเทศเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ก็ไดเพราะไม่งนั้นจิตจะวิ่งไปวิ่งมา ระหว่าดูลมกับการฟังเพศเราจะได้อย่างละครึ่งก็จะซื้อเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าก็าจะได้อย่างเต็มที่ฟังธรรมก็ฟังอย่างเดียวไปเลยถ้าจะนั่งดูลมนั่งสมาธิก็ดูลมอย่างเดียวก็ไม่ต้องฟังธคุณนัทนาพรครับกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะนั่งสมาธิภาวนาว่วาพุโทโธอย่างเดียวเมื่อมีความสงบก็เห็นว่าสงบสบาย เมื่อไม่สงบ ก, ก็จะรู้ว่าไม่สงบทําแบบนี้มาเรื่อยๆนั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงทุกวันถูกไหมเจ้าคะแล้วทําอย่างไรจะก้าวหน้าต่อไปคะวเวลามันไม่สงบ ก, ก็ต้องทําให้มันสงบให้ได้อย่าไปปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมาชาติเพราะเราต้องการควบคุมใจให้สงบแล้วมันจะสงบได้เราก็ต้องพูดโทใหญ่อยจนกว่ามันจะสงบเมื่อมันสงบแล้วเราก็หยุดพูดโทได้แต่พอมันพอมันจะไม่สงบขึ้นมาใหม่เราก็ต้องใช้พูดโท ให้มันกลับกลับเข้าไปในความสงบใหม่จะก้าวหน้าอย่างไรเลยก็ต้องทําให้มากขึ้นนั่นเองเช่นตอนนี้เราทําวันละครึ่งชั่วโมงเราต้อเพิ่มเป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงมันก็ถึงจะก้าวหน้าความก้าวหน้าอยู่ที่การกระทําทํามากก็จะก้าวหน้ามากทําน้อยก็จะก้าวหน้าน้อยคุณจอยครับกลับเป็นถามอาจารย์ครับ เคยฟังพระอาจารย์เทศว่าเวลาเราจะนักสมาธิให้คิดว่าเราตายไปแล้วเหลือแต่วิญญาณใช่ไหมคะเป็นอุบายการตัดนิวรณ์ทางหนึ่งใช่ไหมคะขอพระคุณค่ะก็ไม่หรอกเป็นการเปรียบเทียมให้ฟังว่าเวลาเรางสมาธินี้เราก็ทิ้งร่างกายเราไม่เป็นใช้ร่างกายก็เหมือนกับร่างกายนี้เป็นเหมือนร่างกายที่ตายไปเราเอาจิตไปรวมอยู่ในในความสงบเราแยกจิตออกจากร่างกายชื่อมกัน คุณบาลังสอนครับป้าจารย์ครับถ้าเราเจอสิบแปดมงกุฎชวนคนมาต้มตุ๋นเราจะแผลไม่ตายเขายังไงดีครับให้เขากลับใจก็ถ้าเราคุยกับเขาได้ก็คุยกับเขาไปถึงบอกว่าการกต้มตุน๋นการหลอกลวงพูกแนี้ทําให้ผู้่นเขาเดือดร้อนเสียหายเป็น ต, ตอนนี้มีข่าวว่าบัญชีธนาคารของคนทุกคนคบางคนอฮกไปเนี่ยเราไปคูยกับคนที่ก็ทําดูสึว่าเขาจะเขาจะฟังเราหรือไม ถ้าเขาฟังเราก็ดีเลยมันก็คิดว่าเขาไม่ฟังเราเพราะว่ามันเป็นวิธีของเขาในการหากินของเขาถ้าเร า, าเขาถ้าเขาไม่ทำํำนี้แล้วเขาจะหากินยังไงใช่ไหพรานนี่เป็นเป็ น, ปนอาชีพของเขาใช่ไหมครแต่ถ้าเราพูดได้ก็ดีแล้วเขาเลิกได้ก็ดีแต่ถ้าเราพูดแล้วเขาไม่ฟังเราก็ทำอะไรไม่ได้ จากคุณเด็กน้อยผู้หาความสุขเจอครับในขณะสวดมนต์เกิดเห็นเหมือนมีตัวเราอีกคนอยู่ในร่างกายนี้และเห็นความขึ้นผุดขึ้นไหลออกมาเหมือนสายน้ําในขณะนั้นหนูทําได้แค่ดูความคิดเหล่านั้นไหลออกมาแล้วดับคิดอะไรไม่ได้ต้องทําอย่างไรต่อคะอย่าไปสนใจให้สวดมนต์ให้อยู่อาการสวดมนต์ไปนะพอมีอาการอะไรต่างๆปรากฏให้หนูนี่อยากไปสนใจมันเป็นของหลอกของปลอมไม่มีความสําคัญอะไรต่อกาน การสวดมนต์เพื่อทำจิตใจเราให้สงบเราสวดมนต์เพื่อให้จิตใจเราว่าจิตใจเราสงบจิตใจเรานิ่งถ้ายังไม่ว่างมันยังไม่สงบยังไม่นิ่งเราก็สวดไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับบานต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้รับรู้อย่าหยุดสวดมนต์คุณสุทธินครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งกรรมฐ า, านกับผมและอาตารยได้บางเบา ก็เวลานั้นเราไม่ได้ทําอะไรก็เราก็พักอัตตาไว้ช่วงคราวแต่พอเราออกจากสมาธิมาปั๊บอัตตาก็มาเต็มตัวเต็มที่ใครมาแตะเขานอนไหแล้วก็ให้ของผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นอัตตาขึ้นมาแต่เวลานั่งสมาธิใครไปแต่อะไรเราก็ไม่รับเลแต่นั้นก็เหมือนกับไม่มีอัตตาแต่เป็นการพักอัตตามากกว่าไม่ได้เปการละเพราะเวลาออกมาปั๊บอัตตาก็กลับมาเต็มร้อยทันที คุณกมลธรรมครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิภาวนาพุทโธจิต ด, ดิ่งลึกลงไปร่างกายเหมือนเป็นลมและช่วงไหนที่จะมาพิจารณาร่างกายคะและพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือพิจารณาร่างกายจุดใดจุดหนึ่งก่อนคะพิจารณาตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาเรล่นั่งสมาธิแล้วเชะนเอามาเดินจมกรมนี่ก็สามารถพิจารณาการพิจารณาร่างกายนี้มันมีหลายมิติด้วยกันเช่นพิจารณาว่าร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเบื้องต้น ว่าร่างกายนี้เหมือนเดิมตลอดเวลาหรือเปล่าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาน้วพิจารณาแล้วร่างห้ามมันเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ร่างห้ามการจเจริญเติบโตของร่างกายได้หรือไม่ร่างห้ามการแฉชร า, าของร่างกายได้หรือไม่อันนี้กับในการพิจารณาอนัตตากับอนิจจ์ควบคู่กไปแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้เราดูแลเก็ได้ในระดับหนึ่ง การรักษาเขาเวลาเขาไม่สบายเขาขาดน้าขาดอาหารเราก็เติมให้เขาได้แต่ความเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงทางสรีระนี่เราไปห้ามไม่ได้ผมยาวนี่เราจะสั่งให้มันหยุดยาวได้ไหมผมมันจะงอกที่เราสั่งให้มันหยุดหนอกได้ไหมนี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราไปสามารถไปควบคุมบังคับได้ อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็พิจารณาว่าท e ี่ว่าเราเนี่ยเป็นร่างกายนี้แล้วเราอยู่ตรงไหนในร่างกายนี้ว่าเราค้นหาดูเองเราคนไปทำเอาไว้เอาไว้ว่าทั้งสามจุดสองดูว่าเราอยู่ที่ผมหรือเปล่าเราอยู่ที่ขนเราอยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันอยู่ที่เนื้ออยู่ที่หนังอยู่ที่อาการอย่างๆที่มีในร่างกายหรือเปล่าคนไปก็จะไม่เจอเราอยู่ในอาการเหล่านี้อาการเหล่านี้ก็เป็นเพียงแต่อาการของเขาผมก็เป็นแค่ผม ไม่มีเราในผมแลวก็ไม่มีเราในเล็บพิจารณานี้มันก็จะทำให้เราเห็นว่าความคิดที่ว่าเป็นตัวตนนี้เป็นเพียงขน่ดความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเหมือนกับคนสมัยก่อนที่เห็นว่าโลกนี้แบนนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเพียงความคิดว่าโลกนี้แบนแต่ความจริงนี้โลกมันไม่แบนเพราะมีคนพิสูจน์ได้ว่ามันไม่แบนเมืนกัน อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็พิสูจน์แล้วว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี่เราไปตู่เอาเฉยๆเราไปตู่ว่าร่างกายนี้เป็นดาวเราอยู่ในร่างกายท่อเราสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้เราสั่งให้ร่างกายยกแขนยกขาให้เดินให้วิ่งได้เราก็เลยคิดว่าเราอยู่ในร่างกายแต่ความจริงเราอยู่นอกร่างกายเราเป็นจิตที่สั่ใช้ความคิดสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว อันนี้คือการพิจารณาร่างกายเพื่อให้เราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ม, มันเกิดแล้วมันก icism, ต็ต้องโตโตแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายไปตามธรรมชาติแล้วก็ไม่มีตัวตนไม่มีเราในร่างกายเมื่อเวลาร่างกายตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ได้หายไปกับร่างกายเพราะเราเราไม่มีเราในเบื้องต้นมันร่างกายตายไปมันก็ ตัวตัวที่ไม่มีมันก็ไม่มีอยู่ของมันอยู่แล้วไม่มีตัวตนเป็นความคิด น, นั่นเองตัวตนนี้เป็นออกมาจากความคิดคําถามจากคุณกัญชนาครับเขาสอบถามพระอาจารย์เจ้าขาได้ฟังธรรมะพระอาจารย์ทุกมานานแล้วในหัวมีแต่ธรรมะของพระอาจารย์รู้วิธีการดับทุกข์แต่ทําไมถึงยังไม่สามารถละจากทางโลกและไปปฏิบัติเต็มที่ได้คะสาธุค่ะ ก็เพราะว่าละสิ่งที่เรายังติดอยู่นั่นเองเราต้องพยายามละความสุขต่างๆที่เราติดอยู่แล้วเปลี่ยนมาใช้ฐานะความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบแทนถ้าเราสามารถมีความสุขจากการนั่งสมาธิได้เราก็จะละสิ่งต่างๆที่เรายึดติดได้เช่นรางยศสรรเสริญความสุขทางตาบูชาบกื่นกายถ้าเราละสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ไปปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ได้ จากคุณอ๋อป้าครับอ๋อป้ามาีครับอรักขกรรมฐานสี่คือพุทธานุสติเมตตามรณานุสติและอสุภะกรรมฐานจําเป็นต้องพิจารณาทั้งหมดไหมคะและประโยชนจากการพิจารณี้ช่วยในเรื่องใดคะคือมันเป็นเหมือนยาสามัญประจําบ้านนะี่ยร่างกายนี่ต้องมียาสามัญนะมียาแก้ปวดหัวยาแก้ปวดท้องยาหยอดตายาทาแผลอะไรอย่างนี้ เวลาที่ร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมากระทานหันก็ใช้ยาสามารถรักษาไปก่อนใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายมันก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเช่นบางทีก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะกเกิดความโกรธเวลาเราโกรธใครใจเราก็ทุกข์ไม่สบายใจวิธีเยตจะใช้ให้ความโกรธหายไปก็ต้องใช้เมตตาใช้ยาเมตตาคือให้อภัย พอเราให้อภัยเขาได้ไม่จองเมญจองกรนยกโทษสิ่งที่เขาทำแล้วที่ทำไมนองโทษเราก็ยกโทษให้เขาไปความโกรธก็หายไปด้วยเมตตาเวลาที่เราหลงเราเดิมคึกขนองเราที่ว่าเราใหญ่เราโตรเราเก่งก็ให้นึกถึงความตายบ้างคึกขนอง ม, มากเกินไปมันก็จะทําให้ว่าในที่สุดเราก็ต้องตายนะนะเราก็จะได้ไม่คึกขนองในเวลาเราโลกอยากได้อะไรมากๆ ดึงไปว่าเราจะต้องตายเอาไปทําอะไรต้องเยอะแยะเอาเงินเป็นร้อยร้านฐันร้านไปทําอะไรตายไปนี้คนเอาเงินน้อยร้านฐานร้านเด็กดึงไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นใช้เป็นยาแล้วความโลกโล ก, โลกเกินเหตุเกินผลนะโลกพอประมาณได้โลกเพื่อมีปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายของชีวิตเหล่านี้ได้แต่โลกเพื่ออยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะ ซ, ซื้อนู่นซื้อนี่ไปช่วย ท, ที่นู่นที่นี่ ก็ให้คิดถึงความตายมากมก็จะนั่งนะได้ส่วนเวลาเราไม่สบายใจเพราะเรามีการมาลงอยู่คนเดียวเหงาคิดถึงแฟนอยากจะร่วมรับนอนกับแฟนอันนี้ก็ให้ใช้อสุภพกรรมฐานพิจารณาร่างกายส่วนที่ไม่สวยงามของแฟนเราเห็นโครงกระดูกของแฟนดูเเราเห็นตับไตไส้พุงของแฟนดูแต่เห็นแล้วความอยากจะล่วมรับนอนกับแฟนก็หายไป ความรู้สึกไม่สบายใจความเหงาความอะไรก็จะหายไปอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาไม่หงุดหงิดใจแล้วถ้าเรามีความดำในสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จเจริญพุทธานุสติให้เราเกถึงประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วเลิกถึงคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นมันก็จะทําทให้เราห า, หายนําในสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อันนี้เป็นยารักษาใจให้ ให้อยู่ในอยู่ในความสงบอยู่ในทรรนองความธรรมไม่ให้ไปทํำบาปทากรรมนั่นเองคุณดรุณพบครับกลาวธรรมปรการพระอาจารย์ครับการละสังโยชน์สามเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมาเดินปัญญาควรเดินปัญญาอย่างไรเพื่อละสังโยชน์นี้ขอความเมตตาด้วยครับเ <c oughs> กินดูร่างกายของเราบอกว่าร่างกายของเรานี้ยเดี๋ยวมันต้องตายนะเดี๋ยวมันต้องเจ็บไข้แทบป่วย น, นะ <c oughs> ยอมไหมยอมไม่ติดโควิดนะ เราให้มันตายไหมมันไม่ใช่ตัวเราไป็นห่วงมันทําไมมันตายเราไม่ได้ตายไปกับมันมันเจ็บเราไม่ได้เจ็บไปกับมันเราเป็นเพียงแต่คนที่มาใช้มันเท่านั้นเองเราเป็นคนสังน่งการในร่างกายทํานู่นทํานี้ให้กับเราเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวรับใช้เราเราเดือดนรนอนในเวลาคนรับใช้เราเป็นติดโควิดคนรับใช้เราตายไปก็ เ, เป็นเรื่องของเขาใช่ไหม ถ้าเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขามียาให้ก็กินได้ก็มีให้ก็กินไปพาไปหาหมอได้ก็พาไปแต่เราจะไม่เดือดร้อนมุ่นหมายไปกับเขาเนี่ยนะนั่นแหละคือการพิจารณาร่างกายพิจารณาให้เห็นว่าเป็นเหมือนคนรับใช้เราเป็นลูกน้องเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนี่คือการพิจารณาถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว เ, เวลาร่างกายเป็นอะไรใจเราจะเฉย เมือกับเรารู้ว่ามันเขาไม่ได้เป็นเรานี่เราตองเปรียบเทียบร่างกายเรากับร่างกายของคนอื่นว่าความรู้สึกของเรากับร่างกายเรากับความรู้สึกกับร่างกายของคนอื่นมันเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนก็แสดงว่าเรายังไปเห็นว่ามันเป็นเราอยู่แต่ถ้าเรามองร่างกายของคนอื่นว่าไม่ได้เป็นเราและเรามองร่างกายของเราเหมือนกับเราเห็นร่างกายของเขาเขาเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนฉันได้ อะไรร่างกายนี้เป็นอะไรเราก็ต้องไม่เดือดร้นอนฉันนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการละสมโยชนะคุณเปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์นะครับมองเล็บว่าผมไม่มีเจตนาจะปรามาพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้าคือความจริงหรือเปล่าครับมันก็เป็นสิ่งที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกะครับซึ่งส่วนใหญ่เราชาวพุทธนี้ก็จะให้ความความเคารพในพระไตรปิฎกเชื่อว่าเป็นเป็น เป็นความจริงทั้งหมดเพราะว่าพระต่ายดปโดนี้ได้รับการสังเกตานาจากพระอรหันต์ห้าร้อยรูปด้วยกันหลังจากที่พระเจ้าเสด็จดับคันพันธุ์นิพพานไปสามเดือนพระมหากรสปะซึ่งเป็นพระอาฮาเทระก็เรียกประชุมพระอรหันต์อย่างเดียวพระที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ให้เข้ามาเกี่ยวเพราะว่าพระอรหันต์นี้จะรู้ความจริงอย่างชัดเจนดงนั้นเราก็เชื่อได้ว่าเป็นความจริงเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มัน เป็นของที่แปลกที่นานาจะมีเกิดขึ้นกับคนทุกคนหนึ่งซึ่งในสมัยนี้เราก็อาจจะเจอเด็กอัจฉริยะบางคนใช่ไหมก็ได้ยินข่าวว่าเด็กอายุเจ็ดขวบนี้จะประิญญาตีได้อะไรทำนองนี้หรือ <ๆ S 1> เด็กสาขวบเล่นเปียโนโดได้เล่นวาล์นินได้อันนี้ก็มีความสามารถพิเศษของเด็กเหล่านี้อันนี้ก็มีความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้าพอตอนเกิดมาออกมาจากท้องแม่พลังจิต ท, ทั้งท่านมีสติสมบูรณ์ สเสติของท่านเป็นผู้ใหญ่พอพอพอออกมาจากคลองมากก็ก็สามารถสั่งให้ร่างกายเดินได้แต่เป็นงแต่ร่างกายมันยังอ่อนแออยู่ไม่สามารถเดินได้มากกว่าเจ็ดเก้าวใจมีพลังสั่งแต่ร่างกายไม่มีพลังตอบสนสองคําสั่งของใจได้ก็เการได้เพียงแค่เจ็ดเก้าเท่านั้นเองแล้นเราเชื่อเรื่องเหลนี้เราเชว่าเป็นไปได้เพราะเราเปรียบเทียบดูกับความสามารถของเด็กได้ ในในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้ก็มีความสามารถสมัยนี้เราคงยันได้ยินข่าวเด็กบางคนที่ฉลาดเก่งไหมทำอะไรได้เหมือนกับผู้ใหญ่ต้องให้ตัวเองเป็นเด็กข้าอายุ 6-7 ขวบนี้นั่นเพราะมันอยู่ที่จิตของเขาจิตของเขาโตแล้วคุณยอาทิดาครับใช้วิธีละความเพลินเวลาจิตรู้ความคิดแล้วเด็กกลับมารู้ที่กายได้ไหมเจ้าคะแล้วต้องทําบ่อยแค่ไหนเจ้าคะ ต้องทำตลอดเวลาไม่ให้มันไม่ให้มันเคลินไม่ให้มันไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่ขณะทุกขณะจิตเลยอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่งานที่เรากําลังทํายู่ดยอยู่ที่พุโทโธมันต้องการที่จะดึงใจให้นิ่ง่อนที่จะนั่งสมาธิได้มันต้องนิ่งก่อนนิ่งในระดับหนึ่งในระดับของความคิดไม่น้อยไปน้อยมา แล้วพอแล้เวลานั่สมาธิกให้มันเล็งอยู่กับการดูลมหายใจแล้วมันก็จะเข้าสู่ความเล็งอย่างแท้จริงคือหยุดคิดุแต่หยุดทํา ง, งานได้อย่างเต็มที่จากคุณเจเจครับการนรสมาการครับอาการที่เหมือนจับจับปล่อยปล่อยจับแบบบางๆแล้วปล่อยแต่รู้สิ่งอันนั้นชัดเจนโดยเฉพาะทุกขเวทนาอันนี้จิตไม่หลบเข้าสมาธิให้เลยครับอาการนี้พิจารณาหรือทําอย่างไรต่อครับขอบพระคุณครับ อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจับปล่อยเป็นยังไงมันจับด้วยอะไรจับจับอะไรอันนี้ไม่ไม่เข้าใจคําถามถ้าจะพิจารณาทุกขเวทนาก็คือพิจารณาว่ามันเป็นตายรักเวลาเกิดทุกขเวทนาอย่าไปอยากให้มันหายเพราะมันเป็นเหมือนลมพัดอย่าไปอยากให้ลมหยุดพัดเพราะมันเป็นไปไม่ได้พอไปถ้าไปอยากแล้วมันจะทําให้ใจทุกขึ้นทุกข์กายแล้วเป็นออมันทุกขี่ใจด้วย ทุกเพราะความอยากเราหยุดความอยากเราหยุดความทุกข์ของใจได้ด้วยการหยุดความอยากที่จะไปสั่งให้ทุะะะกขเวทนาของร่างกายดับเราต้องมองว่าทุกขเวทนาเป็นเหมือนลมพัดเหมือนฝนตกมันจะพัดก็ฝนลมจะพัดก็ปล่อยมันทัดไปฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปอยากพยายากให้มันหยุดฉันได้เวลาเวทนาเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็อยากพยอยากให้มันหาย พอจะเกิดความอยากให้มันหามันไม่หายก็จะทําให้ทุกข์ใจขึ้นมานี่คือการพิจารณาจากคุณธรรมรักครับการเรียนถามนั่งสมาธิหนึ่งถึงสองชั่วโมงจิตสงบอยู่ขากระตุกขึ้นแรงๆสลับกันเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวกระตุกสาเหตุจากอะไรครับมันก็เป็นเรื่องของร่างกายมันคุณอ <c oughs> บอกไม่ไงบางทีมันนั่งอยู่นานๆมันก็าจจะกระตุกขึ้นมาได้นะ เส้นาจะตึงขึ้นมาเลยมาน้ยแต่ให้นักปฏิบัติท่านก็สอนมาให้รู้ตามความเป็นจริงแม่ว่ามันเป็นเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้ามันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายก็ไม่ต้องไปทำอะไรถ้ามันมีปัญหาทำให้เดินไม่ได้หรือเป็นอะไรก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ คุณไกเลอร์ครับขอโอกาสเปี่ยนถามเราควรเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิในอัตราส่วนเท่าไหร่และอา น, นิสงส์งของการเดินจงกรมคืออะไรครับการเดินจงกรมก็เป็นการนั่งสมาธิรูปแบบหนึ่งแทนที่จะนั่งมาเดิน น, นั่นเองแต่สติก็ยังอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆไม่อยู่กับเท้าไปเหมือนกับเวลานั่งสมาธิเราก็สติก็อยู่กับลมหายใจไม่อยู่กับพุโทโธรอกดงั้นการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิก็เป็น เป็นการเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบนั่นเองเพีแต่ว่าการนั่งสมาธินี้จิตมันจะสงบมากกว่าการเดินเพราะเวนาเดินนี้จิตต้องทํางานคือจิตต้องสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมาจิตยังมีการคิดปู่ต่างๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ถ้าเวลามานั่งสมาธินี้จิตไม่ต้องสัง่งร่างกายให้ทําอะไรเลยจิตก็จะเร่งสงบได้เต็มร้อยแต่ก็ต้องสลับกันทําเพราะว่า นั่งไปอย่างเดียวเดี๋ยวนั่งกายมันก็เจ็บปวดทั่วไปก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนทิศทางพผ่อนคลายความปวดเมือ่อยต่างๆตามน่างกายเดินอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็เมื่อยก็ต้องกลับมานั่ง น, น, นักปฏิบัติเลยต้องสลับกันสมท่านี่เดินเดินให้มากเดินเท่าที่เดินให้มากเท่าที่จะ <De an> เดินไหวพอเดินไม่ไหวแล้วว่า ก, กลับมานั่งนั่งให้มากจะกว่าฉันนั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่สลับกันทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ คุณนัตตี้ครับอาจารย์ครับทำไมเราถึงสามารถปล่อยวางร่างกายได้ในบางครั้งเมื่อเราพิจารณาและทำไมเราถึงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในเวลาโกรธคะและเราจะต้องนั่งสมาธิข้ามเวทนาไปให้ได้ใช่ไหมคะมันข้ามเวทนายากมากคะ่ะก็ต้องใช้สติฝึกสติให้เยอะๆเวลามีเวทนาก็อย่าไปสนใจปล่อยให้มันเกิดไว้ให้มันตั้งอยู่เราก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอยู่คําบริกรรมไปเดี๋ยวใจเราก็ปล่อย ใจก็จะเป็นอเุเบกขาแล้วก็จะอยู่กับเวทนาไนดะ้ไม่ไม่ไม่ทุกข์ไม่มีความอยากให้เวทนาให้ไปหรือไม่มีความอยากจะหนีจากเวทนาไปเรื่องเรื่องการฆ่าเวทนานี้ต้องใช้ใช้คำบริกรรมบริกรรมไปเลยลดสวดมนต์ไปเลยภายในใจอย่าไปสนใจสังเกตดูวเวลาที่เราใจเราทําอะไรอยู่นี่บางทีจะเจ็บตรงนี้ปวดตรงนี้เราก็ทนได้ใช่ไหม ใชเวลาดูหนังกําลังสนุกนี่ก็ปวดฉีก็ยังทนดูต่อไปได้เพราะว่าใจมันอยู่กับการดูหนังมันไม่ได้อยู่ที่อาการปวดฉี่ฉะนั้นเวลาเราเจ็บตามร่างกายให้ใจเราอยู่กับพุทธทรไปอยู่อาการสดนวลไปแล้วอาการเจ็บของร่างกายก็จะมัมารบกวนใจแล้วเดี๋ยวใจก็จะนิ่งจะเฉยกับความเจ็บของร่างกายได้ส่วนเรื่องการยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเวลากอดว่า ความกรธนี่มันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ในร่างกายความยึนบ้านถือมั่นตัวต่อนี้มันออกมาจากใจมันไม่ได้ตั้งอยู่ที่ร่างกายเนี่เราถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่เราแต่ตัวเรามันมันหลบเข้าไปอยู่ในใจมันออกมาจากใจออกมาจากความรู้กความคิดต่างๆความคิดความจํานี่ยมมีมีสองระดับเรื่องของอัตตาถ้าเราถ้าเรามันอยู่กับร่างกายเราก็ไปยึดว่าร่างกายเป็นเรา พอเวลาเราไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วอยู่ตามลําพังนี้ไม่มีร่างกายแล้วก็จะไปยึดกับใจว่าเป็นเป็นตัวเราซึ่งไม่มีตัวเราทั้งสองอันมันเป็นแต่เพียงแต่เป็นความคิดทั้งนั้นเองคุณสืบสักคัคบการคิดถึงความตายควรคิดถึงอย่างไรให้เกิดประโยชน์มีวิธีเตรียมตัวตายอย่างไรบางท่านว่าไม่ควรคิดบางท่านว่าให้คิดครับอาจารย์ก็เหมือนกับน้ําท่วมนี่เราจะคิดไหเอ่า กองบุกตุนนิยมก็บอกว่าอีกเดือนบางครังหน้าบริเวบ้านของคุณน้ำจะท่วมนี้คุณอยากคิดไปคิดถ้าคุณไม่คิดคือก็ปล่อยให้มันท่วมไปแล้วข้าวของที่มีอยู่ในบ้านของคุณก็เสียหายใช่ไหมแต่ถ้าคุณรู้ว่าอคุณเชื่อปยากรว่ามันจะน้ำจะต้องท่วมนั่นเน่ยแล้วคุณมีของที่มีค่าที่คุณไม่ต้องการที่จะให้มันเสียหายคุณก็ต้องจัดการโยกย้ายมันไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัย เห็ในใจร่างการพิจารณาความตายก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกรมตัวนิยมวิทยาที่พยากรณ์บอกพวกเราว่าร่างกายของเราทุกคนนี้เกิดมาแล้วเดี๋ยวต้องตายนะแล้วเวลาที่จะตายแบบที่ไม่ทุกข์ก็คือเราต้องเตรียมตัวทําใจกันทำใจยอมรับความตายยอมรับเฉยๆได้เลยว่าไม่ต้องไปต่อต้านที่เราทุกข์กันเพราะเราไปต่อต้านแล้วไม่ยอมตายแล้วไม่อยากตาย แต่ถ้าเราไม่ต่อต้านเพราะเรารู้ว่าต้านไม่ได้เหมือนกับน้ําท่วมเราต้านไม่ได้เรามีเพียงแต่วิธีป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้น้ําท่วมมาทําลายของที่เสียหายฉะนั้นเราก็อย่าให้ความตายของร่างกายมาทําให้ใจเราทุกข์ถ้าเราคิดอยู่ บ, บ่อยๆเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายได้เพราะเราจะรู้ว่าเราต่อต้านไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้ เมื่อเราไม่ต่อต้านเราไม่ห้ามความตายใจของเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายตายตการที่เราจะทําให้เราไม่ต่อต้านเราก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองพ่าพอเราไม่คิดแับเราลืมและเราคิดว่าเราจะอยู่ไปพอเราคิดว่าเราจะอยู่เราก็เลยไม่อยากตายเราก็จะต่อต้านความตายการพยายาม น, น, notebook, นึกความตายอยู่เรื่อยๆแล้วการการต่อต้านความตายมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะไม่ต่อต้านเลย มันจะยอมยอมแล้วมันก็จะไม่ถุกคุณทิพวรรณครับหนูขอกลับเรียนถามว่าหนูปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิแต่จิตของหนูไม่สงบควรทำยังไงคะเพราะนั่งแบบไม่มีสตินั่นเองนั่งแล้วใจลอยนั่งแล้วก็อยากคิดถึงคนนั้นคนนี้นั่ง น, นั้นนั่นี้อยู่งนั้นก่อนที่หนูจะมาดั้ง น, นี้หนูควรจะฝึกสติอยู่เรื่อยๆก่อน พยายามหมั่นท่องพุทโธพุโทโธอย่ากล่อให้ใจคิดเรื่อยหรือคอยบังคับให้ใจอยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทําอยู่กาลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวกาลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานารเช่นเดียวําลังตักอาหารก็ให้อยู่กับการตักอาหารวาเวลาเคี้ยวอาหารในปากก็ให้อยู่กับการเคี่ยวอาหารอย่าให้ไปคิดเรื่อยๆถ้านเราทำนี้ได้เวล า, ามาสวดมนต์มานั่งสมาธิมันก็จะอยู่กับการสวดมนต์ อยู่กับการั่งสมาธิใจของก็ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คาถามสากคุณอรัญญาครับการนิมสการค่ะมีบางคนพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเราจะปรับความคิดมุมมองที่เป็นวิชชาทิฏฐิของคนนี้ได้อย่างไรครัอบอาจาค่ะถูกคะับเ้าไปมองผลงของของการทำความดีความเชื่อที่การจเจริญในราชยศิเรเสริญศพนี้ ซึ่งไม่ใช่เป็นผลของการทําความดีหรือทําความช่วยเพราะคนทําดีก็มีมีเจริญในลาบยศสารเสริญสุขได้เช่นเดียวกับคนทำปักชั่วก็เจริญในลาบยศสารเสริญสุขได้เพราะฉะนั้นผลของที่จะวัดความดีนั้นความช่วนั้นมันอยู่ที่จิตใจความเจริญของจิตใจหรือความเสื่อมของจิตใจหรือความสุขหรือความทุกข์ของจิตใจต้วัดอยู่ที่ใจถึงจะเข้าใจ เวลาเราทําบาปที่ใจเราสุขไม่ทุกใจเราเจริญเรื่อเสื่อมถ้าเราเราทำบาปที่ใจเราเสื่อมลงไปนะใจมนุษย์เราจะเคลื่อนไปเป็นสัตว์ในราชานทันทีอันนี้คือการเสื่อที่เกิดจากการทําความเชื่ออั น, นี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อกดทางกา ร, รมันจัดการของเราโดยอัตโนมัติเราทําบาปอยู่เรื่อยๆนี่จิตของเราก็จะเสื่อมจากการเป็นมนุษย์ไปไเรื่อย ถ้าเราทำบุญทำความดีจิตใจเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทเวดาชัาน้นสูงๆแล้วก็ได้รับความสุขในที่สูงขึ้นไปกว่าความสุขของการเป็นมนุษย์อันนี้คือผลที่จะวัดการทำความดีทำความเชื่อไม่ได้วัดด้วยราบยศสารเสลด น, นะวันด้วยความสุขความทุกขในใจความเจริญความเสื่อของใจ คำถามจากคุณอลิสครับตอนนี้หนูเครียดมากเพราะว่าอินพุตบางอย่างเข้ามาจากโซเชียลมีเดียนั่งสมาธิช่วยได้ไหมคะก็อย่าไปดูอย่าไปเอาอินพุตนั้นเข้ามาสิบล็อกมันบ้างบล็อกมันบ้างโซเชียลมีเดียถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเพล็กเป็นไพรกับเราแล้วก็อย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปรับรูมันแล้วก็มานั่งสมาธิก็จะช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่ล็อกมันนั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิาธเรื่องก็ยังเข้ามาอยูะ แม้จะปิดนะปิดเครื่องนะแต่มันไม่ได้ปิดใจนะใจมันก็ยังมาคิดปรุงแต่คิดถึงเรื่องเรื่องโซเชียลมีเดียต่างๆ่าอย่างนี้วิธีแรกก็คือต้องสํารวจตาหูจ ม, มูกเลื่อนกายคือปิดตาหูจ ม, มูกเลื่อนกายอย่าไปรับรู้เรื่องโซเชียลมีเดียต่างๆที่เข้ามาทันทวารทั้งอ้าเมื่อไม่เข้ามาแล้วมันก็จะไม่มารบกวนใจนลและเราก็อันมันก็ยังอาจจะคิดถึงโซเชียลมีเดียในอดีตได้ เราก็ต้องใช้สติดักมันอีกทีหนึ่งด้วยการหมัน่นเจริญพุโทโธพุโทโธหลือสดดมนไปในใจอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้โซเชียลมีเดียที่ยังค้างๆอยู่ในใจนี้หายไปได้ใจของเราก็จะนั่งสมาธิได้ต่อไปคุณทศพลครับการนักสักา ร, ระอาจารย์ครับกับผมขออนุญาตถามว่ามีวิธีการพิจารณาดูอสุภะแบบมองให้ตัดขาดได้ช่วงขนาหนึ่งแบบง่ายๆไหมครับ ก็เปิดหนังสืออนาโตมีดูเนี่ยเปิดหนังสืออนาโตมีแล้วหนังสือที่ก็ถ่ายภาพศพชนิดต่างๆให้ดูก็ได้นั่งเพ่งดูสักห้านาทีสิบนาทีมันก็มันก็ตัดขาดได้ง่ายที่สุดเนี่ยคือดูภาพดูภาพยังไม่ได้ไปเห็นของจริงก็ดูภาพถ่ายก็ได้หรือดูภาพวาดก็ได้ คุณคำพีพันธ์ครับกล่าวเรียนถามอาจารย์เจ้าขาโยมเคยปฏิบัติสติปัฏฐาน4ี่แล้วเห็นว่าร่างกายเราเหมือนกับขุญญนยนต์มีจิตเป็นตัวสั่งการและอายตนะเขาทํางานกันทีละอย่างค่ะเช่นตาเปิดจักแต่ว่าเห็นสีไม่มีการแปลสัญญาเมื่อสัญญาทํางานก็จะปรุงแต่งสังขารต่อเห็นการทํางานของขันห้าเชื่อมต่อเป็นขณะขณะเห็นจิตเกิดดับทั่วตัวเขาเร็วมากเห็นการนี้เป็นเหมือนถุงภาชนะ ที่เจ้าค่ะมีแต่สิ่งสปกปรกไหลออกเจ้าค่ะบางครั้งจิตเขาก็สั่งให้ทําแบบนั้นแบบนี้เจ้าค่ะโยมก็งงเหมือนกันเจ้าค่ะว่าจิตนั้นเขารู้ได้ยังไงเขารู้เขาสั่งเราทําว่าเราเคยทํามาก่อนแ น, น่ดีกนะสิ่งที่เราเคยทําอยู่ในอเด็ตมันสั่งอยู่ในใจของเรามันก็จะมาทําต่อมามันตรยอัตโนมัติวิธีที่เราจะเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่นี้ก็คือให้เราหยุดความโลภความอยากในสิ่งต่างๆ จากคุณพรชรมงครับอาจารย์คะมีคนมาเรียลัยเงินแล้วหนูก็ทําไปแต่เขาไม่เอาเงินเข้าวัดแต่มารู้ที่หลังว่าเขาเป็นมารอย่างนี้หนูบาปไหมคะไม่บาปหรอกหนูก็ยังได้บุญอยู่ถ้าหนูคิดว่าเขาไปนับก็เขาไปก็ให้เข้าไปก็ถือว่าเป็นการทําทานไปในฐานะอยากไปทําทํากับวัดก็ทํากับเขาไปก็แล้กันพอการรู้เท่ามัน ร, ร, รู้รู้ไม่ทันเขาถูกเ้าหรอ แต่เราสามารถทําให้ใจเราไม่ทุกได้เมื่อการคิดว่าเป็นการทําบุญทำทานไปถ้าที่ได้ทากับวัดก็ทํากับเขาไปก็แล้วกันแต่เขาหน้าอยากทำอีกก็แล้วกันอย่ า, งยางโง่ซับซ้อนงองหัวเดียวได้ค่ะคุณทิพวรรณครับหนูกราบเรียนท่านอาจารย์นะคะว่าเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเกิดปิติยินดีในร่างกายเราควรละหรือสนใจดีคะ ก็ไม่ทชาบว่าไปนปติยินดีในร่างกายมันควาจริงไปติยินดีมันอยู่ในใจเนีในร่างกายมันไม่มีไปติเยินดีแต่ความรู Bay, self, a, like ้สึกของเรานึามคิดของาอาจจะคิดว่ามันอยู่ในร่างกายก็ได้นะครับจริงความไปติยินดีนี่เกิดจากใจของเราเริ่เข้าสู่ความสงบมันก็จะมีไปติมีความสุขขึ้นมาไม่ควรจะละเพราะนี่คือการวิธีหาความสุขแบบหนึ่งเลยที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกิ่งรอดเราก็มาหาความสุขจากไปติ จากการนั่งสบายเช่นกันจากคุณแพทครับถ้าร่างกายของเราเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเช่นนั้นเราและทุกคนในครอบครัวเราเป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องทุกคนนี้เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งใช่ในที่สุดมั น, มนก็จะเสื่อมหมดไปกลายเป็นกลายเป็นเยน้ําลมฝ่ายแต่ คุณจีรศักดิ์ครับขอถามหลวงพ่อนะครับสมาถะและจิตตั้งมั่นมันเดินปัญญาได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ต้องมีสมาถะและจิตตั้งมั่นก่อนถึงจะได้ปัญญาได้อย่างมีผลเพราะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะไม่มีพลังที่จะใช้ปัญญาในการล้า ก, กิเลสได้ล้าความอยากได้คุณทรงธรรมครับถามวัตสติกับสมาธิต่างกันยังไงครับอ๋อสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล สมาธิคือความนน่งตั้งความนิ่งสงบของจิตไม่คิดตุ่แต่งไม่มีการเคลื่อนไหวต่างๆทางทางอารมณ์ปัจจากอารมณ์สมาธินี้เป็นช่วงที่จิตนิ่งว่างเย็นสบายมีความสุขจะเข้าสู่จุดที่ได้ต้องมีสติคือการเจริญสติคือการควบคุมบางคำไม่ให้จิตไปคิ ด, ดลำลาต่างๆด้วยการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือการดูลมาหายใจเข้าออกหรืห อ, อการบริการพุโทโธพุโทโธอันนี้เป็นการสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้ได้เกิดสมาธิตามมาต่อไปคุณพรัตครับการทำพิธีการพระอาจารย์หากโดนใส่ร้ายต้องจัดปัญหาชีวิตอย่างไรครั บ, รรบก็ถือว่าเป็นเรื่องของปกตินในโลกนี้มีมีคนสรรเสริญก็ต้องมีดินทางเป็นธรรมมีคนมีคนว่ากล่าว ที่ถูกต้องและก็มีคนว่ากล่าวที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องปกติของเราเราไม่ต้องไปกังวลพ่าสิ่งที่เราควรกังวลก็คือเราไล่าตามที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าสิ่งที่เรากล่าวไล่เราเป็นความจริงแล้วคนที่จะแก้ไขหนักแทนอย่าไปทำอย่ไม่ต้องไปโทษเดือดร้อนกับการพูดของคนอื่นจะพูดถูกหรือพูดผิดนี่เราไปบังคับเขาไม่ได้ คุวรนุชครับขออนุญาเตเรียนถามเจ้าค่ะรอยพระพุทธบาทที่เรากลับไหวคือรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าจริงไหมคะไม่จริงเราเป็นของจําลองขึ้นมาแคนี้ให้เราถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าการดำเินชีวิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินไปในทางไหนถ้าเดินไปในทางทานศีลภาวนาตา ม, ตาม แต่คุณแก้วตาครับการธรรมสการอาจารย์ค่ะอยากขอความรู้เรื่องของใจลักษณอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายค่ะใจลั ก, กคือคุณคนลักษณะสามประการที่ที่มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างคือหนึ่งอนิจจ์แปลว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนอสิ่งสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเรื่องขออนิจจ์ไม่เทียมสองอนัตตาคือ เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เป็นเหมือนเป็นเหมือนอากาศเหมือนลมเหมือนน้าเราไปบงังคับเขาไปห้ามเขาไม่ได้สามเมื่อเราอยากจะให้มันเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก็จะทุกข์ขึ้นมาอต่ถ้าเรารู้ทันว่ามันเราเราอยากไม่ได้อยากแล้วเราจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากนี่คือตายละ สิ่งที่เราเปลี่ยนได้ในใจเราก็คือทุกข์คือเราสามารถทําให้ใจเราไม่ทุกข์ได้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงกับสิ่งที่เป็นไม่มีตัตนด้วยการยอมรับความจริงอังนนี้แต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ย ง, เ, ยงเช่นนัางกายของเราอยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนี้เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราด้วยว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเรา ไม่ไปเปลี่ยนไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ถูกอันนี้คือตายรักมันใช้ได้กับทุกอย่างไม่ใช่เพียงแต่ร่างกายอย่างเดียวร่างกายข้าวของเงินทองลาบยศสารเส้นโรคเส้นกินทั้นี้เป็นตายรักเห็นี้มจําทุกขังนัจ๊ะทุกวันนี้ที่เราทุกข์ก็ทุกข์กับพวกของเหล่านี้นั่นเองพราะเราไปเห็นเพราะเราไปอยากให้มันเที่ยงได้อะไรมาแล้วก็อยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปนานๆแล้วไม่ไม่เปลี่ยนแปลง ตอนมันเปลี่ยนปแปลงเราก็ทุกเราก็เสียใจคัระอาจารย์อถามสำถามสุดท้ายนะครับพรอาจารย์ครับจากคุณธีระครับกราบธรรมศัการพระอาจารย์ครับเคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่าโยมบาลไม่มีอยู่จริงตายแล้วจะไปเกิดตามภพภูมิต่างๆตามบุญกรรมที่ทํามาผมเคยได้ยินคนที่ตายแล้วฟื้นหรือจะระลึกชาติได้ได้ไดเจอโยมบาลคือคิดไปเองหรือยอย่างไรครับนั่นแหละมันก็เป็นสัญญาณความคิดฝุ่นแต่งของเธาเเวลาเรานอนหับ จิตยอมรับว่าคิตปุุงแต่ไปเวลาต่เราตายไปจิตมันก็คิดปุุงแต่งไปสามทุ่มคึ่งนะครับอาจารย์รครับผมขอโอกาสกล่าวเรียนครับว่ากล่าวเรียนบอกาอาจารย์และเพื่อนๆนะครับวันนี้มีคนที่ร่วมฟังธรรมกันจากในเฟซบุ o กเจ็ด้อยแปสิบสองคนในยูทูบห้าร้อยสาสิบเจ็ดคนในข่าสิบแปดคนนะครั บ, นนรบวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่พร้อมกันทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยสาสิบเจ็ดคนนะครับอาจารย์รครับ ก็อยากจะแสดงความยินดีในรางวัลที่คุณหมอได้รับพวกได้รับในเดืนนี้ใช่นหะว่าพวกผมเจอใช่ครับอาจารย์ครับก็ดีถือว่าเราได้ทําคุณประโยชน์แลป็นคนเห็นความดีงานของเราแต่ก็ต้องอย่าไปอย่าไปหลงคำบรรณก็แล้วกันแต่รับทราบว่าเออคนเขาแล้เขารู้เรื่องราวของเราว่าเขาก็เขาก็เปรียบเทียบกับคนอื่นก็เห็นว่าเราทํำงานได้ผดีกว่าคนอื่นครับอะไร ใ ห, ให้นึงให้างัลที่หนึ่งของเราขอแสดงความยินดีแต่อย่าไปยึดไปติดมันนยากไปคิดว่าจะต้องครองตำแหน่งนี้ไปตลอดเพาะปีหน้าจะมีคนที่เขามีดีกว่าเราหรืออะไรก็เราก็ได้ก็คิดว่ามันไม่เที่ยงก็แล้วกันแล้วกอให้รางวัลมันเป็นเหมือนเห ม, มืนให้กำลังใจกับเราให้เราทําความดีนี้ต่อไปครับผมกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ ก็ปิดทางไม่ได้แล้วล่ะครับอาจารย์ครับไม่เราก็พอแล้วก็อยาหาคนใหม่มาแทนที่ผมม่ให <ia> ้เราเพียประจำให้สามอย่าคนหนึคนหนึ่งเขาก็จะไม่มีกําลังใจถ้าเราคองกันอย่างเดียวคนเดียวคิดว่าเป็นโลกกระทำเป็นโลกกระทำแต่ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเพราะมันอย่างนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่มีคนเข้าเห็นเห็นผลงานของเราแล้วก็ชื่นชมยินดีัขอให้ทําต่อไป โอเคนะก็ะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความุึควาเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเ อ, อาิดขอลาไปก่อนนะแล้วถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืไม่มีอะไรเหตุ ข, ขัดข้อ้วคงจะได้พบกันอีกในข่าหน้าอาทิตย์หน้าค ร, บ, ร, บ, ครบครับรับการาจรครับ